มาจากที่ไหนกันบ้างมาจากท like <tricked you? S 2> ี่ไหนกันเหยาชามากันกี่คนนะเเคยมาเป่าอืเพิ่งมาครั้งแรกเนะอืมจากที่ไหนได้อาจารย์อาจารย์้มาค่ะอาจารย์เนี่ยอาจารย์ที่ไหน คืออะไรอนะ่ะอันนี้วให้มาหาหาหาเพื่ออะไรคือว่าเดี๋ยวเดือนทันมาคงมจพะพนัก ง, งานที่สูอสอนย์ส่งภัคีนจะมีอบรมมาจะพัฒนแล้วก็ช่วงบ่ายจะว่างก็เลยจะขอมาที่อ่าวางไหม การตั้งใจว่าจะให้มาฝึกปฏิบัติกันนะค่ะแต่เป็นปฏิบัติเรื่องคนะมีจำนวนมากไหมคนประมาณสี่สิบคนได้คือที่นี่เราก็ไม่ได้สอนแบบแบบฝึกหัดกันเพียงแต่มาแสดงทำมาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้มาให้มานั่งสมาธิโดยตรง การนั่งสมาธิก็ต้องไปนั่งกันเอาเองที่นี่ก็มาศึกษาศึกษาวิธีนั่งสมาธิศึกษาวิธีปฏิบัติธรรมเราจากวิธีแล้วก็นำมาไปปฏิบัติกันการปฏิบัติที่ต้องต่อเนื่องถึงจะได้ผลถ้ามานั่งกันเป็นครั้งเป็นคราว มันจะไม่ได้อะไรมากนะแต่เวลานั่งฟังเทศฟังธรรมก็นัง่งฟังนั่งทําสมาธิไปในตัวเพราะการฟังธรรมนี้ก็เป็นวิธีที่จะทําใจให้สงบได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่พอยังไม่ถึงระดับเต็มร้อยถ้าอยากจะได้ระดับเต็มร้อยนี่ต้อง ต้องดูต้องเพ่งดูอะไรเป็นอารมณ์แทนเช่นเพ่งดูลมหายใจเข้าออกเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าใจสามารถจดจ่ออยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกได้เดี๋ยวใจก็รวมเข้าสู่ความสงบได้อันนี้ต้องอาศัยการทำบ่อยๆทำมากๆ ่านั่งข้ังสองครัง้งครั้งละไม่กี่นาทีนี่ยังเป็นเหมือนนกกระจอกกินน้ำอยู่เป็นการทดลองมากกว่าทางเราเลยไม่ได้นิยมจัด ก, การฝึกนั่งสมาธิร่วมกันเพราะควรจะไปฝึกนั่งคนเดียวจะดีกว่าเพราะการนั่งสมาธินี้ต้องการความ สงบไม่ต้องการที่จะเกี่ยวข้องกับใครถ้านั่งหลายหลายคนเดี๋ยวคนนั้นขยับคนนี้ก้แอมกาก็จะรบกวนกันแล้วนั่งแบบมีเวลาก็มันก็จะทําให้ใจไปจดจอ่ออยู่กับเวลาที่จะเลิกนั่งการนั่งจริงๆนี่เราไม่ดูเวลา เราดูลมหายใจก็ออกดูเพื่อให้ใจสงบไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าไปคอยดูนาฬิกาดูเวลามันก็จะคิดเมื่อไหยจะถึงเวลาเพอะใจโดยธรรมชาติมันไม่ชอบนั่งเฉยๆมันชอบไปทำอะไรต่างๆมันก็จะนั่งเพื่อรอให้เวลาเลิกนั่ง ถ้านั่งแบบนี้มันก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้มันต้องนั่งแบบไม่มีเวลาให้เลิกนั่งไปจนกว่าจะสงบถึงจะเลิกแต่ <c oughs> มันจะสงบช้าสงบเร็วก็อยู่ที่สติของเราว่ามีกำลังมากน้อยถ้ามีสติกำลังน้อยไม่สามารถควบคุมใจให้ดูลมได้อย่างต่อเนื่องนั่งไปแล้วเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ มันก็จะทำให้ไม่สงบถ้าจะให้มันสงบนี้ต้องมีสติคอยควบคุมใจให้ดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้นไม่นานจิตก็สงบได้สงบแล้วก็จะนั่งต่อไปได้ยาวเพลาเราจิตสงบนี้จะมีความสุขจะไม่เดือดร้อนกับ การเจ็บการปวดของร่างกายจะไม่มีความอยากที่จะลุกไปทำอะไรนัานก็จะนั่งได้นานมีความสุขได้นานนี่คือการปฏิบัตินั่งสมาธิทางสายปฏิบัติจึงไม่ได้จัดอบรมแบบว่าให้มาฝึกนั่งกันแต่จะจัดสอนวิธีนั่งกัน แล้วก็ให้ไปนั่งกันตามลำพังอยู่ที่ไหนก็นั่งได้อยู่คนเดียวไม่จำเป็นจะต้องมาจัดเวลานั่งกันกว่าจะมานั่งขับรถมาไปกลับหลายชั่วโมงมานั่งกันแค่ครึ่งชั่วโมงมันกไ็ไม่ได้ประโยชน์มากนะควรจะนั่งที่เราเรามีเวลาว่างเมื่อไหร่นั่งมันเมื่อ น, นั้นไหย แทนที่จะไปนั่งดูทีวีนั่งกินขนมก็มานั่งสมาธิกันนั่งดูมือถือกันเฮนี้ชอบนั่งสมาธิดูมือถือกันดูข่าวขาวดูว่าคนนั้นจะส่งเรื่องนั้นเรื่องนี้มาหรือเปล่าคนนั้นมีพากษวิจารณ์ใครบ้างนั่งดูแบบนั้นมันนั่งให้ฟุ้งซ่านไม่ได้นั่งให้สงบจะนั่งให้สงบต้องนั่งดูลมอย่างเดียว นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปคิดอะไรให้ตามให้ดูลมอย่างเดียวดูที่จุดเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาให้ดูแถวปลายจมูกลมมันจะเข้าออกตรงทางปลายจมูกนี่แหละมันจะสัมผัสตรงปลายจมูก นอนเข้าก็จะสัมผัสตรงนั้นเวลาออกมันก็สัมผัสตรงนั้นเราก็เพ่งดูตรงนั้นอย่าไปไนี้อย่าไปที่ไหนอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เพ่งดูอย่างเดียวถ้าเพ่งอยู่ได้อย่างต่อเ น, นื่องไม่นานจิตก็เข้าสู่ความสงบได้นี่คือหลักการของการฝึกนั่งสมาธิแล้ว ไม่ต้องมาเข้าห้องเรียนเหมือนกับเรียนหนังสือที่มาเข้าห้องเรียนกันเพื่อมาเรียนวิธีปฏิบัติในเวลาปฏิบัตินี้ต้องเอาไปแยกกันไปปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี้ต้องการความสงบการจิตจะสงบได้ต้องสถานที่บริเวณที่นั่งต้องสงบไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่มีเหตุการณ์ไม่มีการกระทําอะไรต่างๆ เจนพระท่านจะชอบไปปิดวิเวกในป่าที่เรียกว่าไปทุดงเอาไปอยู่ในป่าแล้วก็จะไม่มีอะไรมารบกวนใจก็จะสามารถนั่งได้ยาวถ้าเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินต่อเดินก็เดินแบบใจไม่ลอยเดินแบบจดจ่อเฝ้าดูจะอยู่กับการเคลื่อนไหวของเท้าก็ได้ ดูเท้าซ้ายเท้าขวาไปเวลาก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายเวลาก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาหรือไม่ว่ากระดาษให้รู้ว่ากําลังก้าวก้าวไปซ้ายเอ่ยขวาเอ่ยนะพอไปสุดทางเดินก็เลี้ยวกลับหันกลับแล้วก็เดินกลับมาใหม่เดินไปเดินมาการเดินนี้มีเป้าหมายอยู่สงเป้าหมาย นึ่งเดินเพื่อเปลี่ยนอิเลียบทร่างกายถ้านั่งนานๆมันก็จะเมื่อยมันจะเจ็บก็ทําทลุกขึ้นมาเดินเพื่อให้ร่างกายมันหายเมื่อยหายเจ็บนอันนี้เดินเพื่อร่างกายแล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งก็เดินเพื่อควบคุมใจเดินเพื่อจเจริญสติกลายมีสติอยู่กับการเดิน ไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกับเวลานั่งเวลานั่งก็ดูลมหายใจเวลาเดินก็ดูเท้าเท้าที่ก้าวไปก้าวมาถ้าดูอย่างนี้ใจก็จะสงบไม่ฟุ้งซ่านะแต่จะไม่สงบเท่ากับเวลานั่งเวลานั่งนี้ใจไม่ต้องควบคุมร่างกายใจ ทิ้งร่างกายปล่อยร่างกายได้แต่เวลาเดินนี่ยังต้องควบคุมร่างกายให้เดินให้ยืนอ่ให้เดินไปเดินมาก็ยังปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้จิตก็รวมไม่ได้จิตจะรวมได้ต้องนั่งเฉยๆแต่เนื่องจากนั่งไปเรื่อยๆมันก็เมื่อยนั่งต่อไปไม่ได้ก็ต้องลุกขึ้นมาเดินสลับกันไปน ลุกข้นมาเดินเดินจนเมื่อยก็กลับไปนั่งใหม่นั่งจนเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่ทำอย่างนี้ไปทั้งวันทั้งคืนนอกจากเวลาหลับเวลานอนเนี่ยถ้าจะปฏิบัติให้ได้ผลมันต้องปฏิบัติแบบนี้แล้วนับ่องนะว่าจะต้องเห็นผลนะแต่ถ้ามานั่งกันอาทิตย์ละครึ่งชั่วโมงนัดวันกันเล่าวันนี้ไป น, น, น, นั่งที่นู่นนั่งที่นี่ การนั่งกันเป็นกลุ่มนึ็นกน็เป็นหลายหลายคนเดี๋ยวคนนั่นก็ขยับเดี๋ยวคนนั่นก็ไอเดี๋ยวคนนั่นก็ทนไม่ไหวหลุกขึ้นไปก็รบกวนกันนั่งแล้วก็จะไม่ได้อะไรท่้งหลายดงน้นการนั่งจริงๆต้องนั่งคนเดียวนั้วก็ต้อง มีความตั้งใจว่าจะนั่งให้มากๆนั่งให้บ่อยๆนั่งเรื่อยๆมีเวลาว่างจากภารกิจการงานจะไม่ไปทำอย่างอื่นอยามานั่งสมาธิจะไม่ไปดูละครดูข่าวไม่ไปทำอะไรร้อยแปดเอามานั่งสมาธิอันนี้แหละถึงจะ ได้ผลกันแต่เวลามาที่นี่ก็มาฟังเวลาฟังจิตฟังทมไปไม่ไปคิดอะไรก็ได้สมาธิเหมือนกันได้ความสงบเหมือนกันแต่ความสงบแบบนี้มันต้องอาศัยการฟังทำซึ่งมันก็มันก็ใช้ได้แต่จะอาศัยการฟังทม สำหรับการนั่งสมาธิไปทุกครั้งมันก็ไม่ไม่ควรเพราะว่ามันเดี๋ยวก็ไม่สามารถฟังธรรมได้ก็ไม่สามารถนั่งได้ต้องควรนั่งแบบดูลมหายใจเข้าออกไปสามารถนั่งได้ทุกเวลาทุกแห่งทุกคนการฟังธรรมก็ต้องมีคนแสดงถึงจะได้ฟังหรือถ้าฟังผ่านซีดีก็ต้องมีเครื่อง เปิดฟังถ้าเกิดเครื่องเสียก็ฟังไม่ได้ถ้าทานหมดก็ฟังไม่ได้การฟังจริงๆไม่ได้เป็นการวิธีเพื่อนั่งสมาธิโดยตรงเป็นผลผลได้จากการนั่งฟังธรรมการฟังธรรมจริงๆนี้ต้องการความรู้ต้องการรู้จักวิธีปฏิบัติธรรมต้องการรู้ว่าทำไมเราต้องมาปฏิบัติธรรมกัน ทำไมเราต้องมานั่งสมาธิกันและนอกจากนั่งสมาธิแล้วทำไมต้องรักษาศีลกันทำไมต้องทำบุญกันทำทานกันทำไมต้องพิจารณาสิ่งต่างๆ อ, อันนี้มันเป็นองค์ประกอบของการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้อยู่ที่การนั่งสมาธิเป็นอย่างเดียวเพราะเป้าหมายของการปฏิบัติธรรม ที่มีการนั่งสมาธิอยู่ด้วยนี้เพื่อมาตบอบความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดที่เป็นต้นเหตุพาให้เราต้องมาเกิดมามีร่างกายพอมีร่างกายแล้วเราก็ต้องมาทุกกับร่างกายต้องมาเลี้ยงดูร่างกาย มาห่วงมาวิตกมากังวลกับร่างกายแล้วก็มาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายการเกิดจึงเป็นการมาหาความทุกข์กันไม่ได้เป็นการมาหาความสุขถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากเกิดจะไม่เกิดก็ต้องหยุดความอยากเพราะความอยากเป็นตัวที่พาให้มามีร่างกายความอยากอะไร อยากดูอยากฟังนอยากดมกลิ่นนิ้มรสสัมผัสของหนาวหนาวหนาวร้อนเย็นแข็งอ่อนนุ่มอะไรต้องมีร่างกายอยากจะดูก็ต้องมีตาอยากจะฟังก็ต้องมีหูอยากนิ้มรสก็ต้องมีลิ้นอยากดมกลิ่นก็ต้องมีจมูกอยากสัมผัสเสีย ง, ต, งต่างๆก็ต้องมีร่างกาย ถ้ามีความอยากเหล่านี้ก็จะพาให้จิตมาหาร่างกายเพระถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถดูได้ฟังได้พอมีร่างกายก็สามารถดูได้ฟังได้พอเราได้ร่างกายมาเราก็ใช้ร่างกายพาเราไปดูไปฟังไปดื่มไปลิ้มรส ด, ดมกิ่นกัน เราก็ได้ความสุขจากการที่เราไปเสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นนั่แต่พอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็ไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายได้พอร่างกายตายไปก็ความอยากยังมีอยู่ในใจก็ดึงให้ใจไปเกิดใหม่อีกไปหาร่างกายอันใหม่ใจไม่ได้เกิดแล้วใจไม่ได้ตาย ที่เกิดที่ตายก็คือร่างกายที่เรามีอยู่ขณะ น, นี้ร่างกายที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ก็เป็นของพ่อแม่ใช่ไหมใครเป็นคนสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่จะมีร่างกายนี้ไดนะ้เราเพียงแต่มารับของขวัญจากพ่อแม่เนี่ย เราคือผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราคือผู้อยากที่จะดูอยากจะฟังอยากจะดื่มอยากจะลิ้มรส ด, ดมกลิ่ไม่ใช่ร่างกายเ่ร่างกายมันไม่จะมีความอยากอะไรแต่เราคือผู้รู้ผู้คิดผู้อยากนี้เป็นผู้มารับร่างกายจากแม่เวลาที่แม่สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาในท้องเราก็เข้าไปครอบครองไปอาศัยอยู่ เพื่อที่จะรอวันที่ออกมาจากท้องแล้วจะได้เอาร่างกายนี้ไปไปเสพไปหาความสุขกันนี่คือที่มาที่ไปของการมาเกิดแล้วก็ที่มาที่ไปของการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็เพื่อหยุดการเกิดพราะการเกิดนี่มันนำไปสู่ความทุกข์ต่างๆ ทุกอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่มีร่างกายนี้เราก็ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทุกข์กับการไปทำมาหากินหาเงินหาทองมาส่วนหนึ่งก็มาใช้จ่ายกับร่างกายเลี้ยงดูร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองมาเลี้ยงร่างกายเลี้ยงไปยังไงมันก็ต้องเดี๋ยวมันก็แก่เจ็บตายไปอีก หาหาหาเงินหาทองมาท้าเป็นท่าตายมาเลี้ยงร่างกายท้าเป็นท่าตายก็เพื่อให้มันแก่เจ็บตายเนี่ยการเกิดนี่มันมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหามีแต่ทุกข์เนี่ยแต่ก็หยุดไม่ได้เพราะอยากยังมีความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นนั่น ก็เลยต้องมีตาหูจมูกมือกายมีร่างกายเนี่ยนะคือโจทย์ของพวกเราปัญหาของพวกเราคือการมาเกิดและเหตุของการมาเกิดก็คือความอยากความอยากมีสามช่องในืสามแบบอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่กันใช่ไหมยอยากเป็นหัวหน้ากัน อยากร่ำอยากรวยกันอยากให้คนยกย่องสรรเสริญเยนยอแล้วก็ความไม่อยากความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายความไม่อยากให้คนเขาติฉินหนึ่งทาความไม่อยากเป็นผู้น้อยอยากเป็นผู้ใหญ่อยากได้ตำแหน่งสูงสูงเวลาเลื่อนชั้นขึ้นไปนี่ดีใจกันทุกคน เวลาเลื่อนลงมานีเสียใจกันทุกคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเวลาอยากแล้วไม่ได้ก็ทุกข์เวลาอยากเวลาเจอของที่ไม่อยากได้ก็ทุกข์นี่คือปัญหาของพวกเราเราอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัว ทุกวันนี้ที่ดื้นอนกันถ้าเป็นแท่าตายก็เพื่อหนีความทุกข์กันแต่นี้แต่นี้ไม่เป็นแทนที่จะหนีกับเดินเข้าหาความทุกข์กันทุกเพราะไม่ได้เพราะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ เ, เลยไปหาเงินหาทองกันก็ต้องไปทุกข์กับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้มาซื้อสิ่งที่อยากได้ พอได้สิ่งนั่นมาก็ต้องมาทุกกับการดูแลรักษาเวลาหายไปก็ทุกข์อีกนี่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ความทุกข์ของเราวิธีแก้ความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากถ้าเราไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ไม่ต้องไม่ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันอยู่เฉยๆก็มีความสุขถ้าไม่มีความอยาก ทมันไม่สุขก็เพราะว่ามันพอมันอยากแล้วใจมันหงุดหงิดลำคาญอยู่เฉยๆไม่เป็นสุขอยู่ไม่เป็นสุขเพราะความอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เหนื่อยต้องไปหาไปเอาสิ่งที่อยากได้พอได้มาก็ดีใจไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอยากได้สิ่งใหม่ก็อยู่ไม่เป็นสุขอก็ต้องไปหาอีก หามาได้เท่าไหร่ก็ก็ดีใจเดียวเดียวสุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมานี่คือตัวปัญหาคือความอยากที่เรามาปฏิบัติธรรมกันมานั่งสมาธิกันมารักษาศีลกันมาพิจารณาทำต่างๆให้เห็นว่าเป็นทุกข์นี้ก็เพื่อที่เราจะได้หยุดความอยากกัน นี่คือเวลานั่งสมาธิก็หยุดฝืนความอยากใจยอยากจะไปดูนั่นไปทำนู่นทำนี่ก็ไปไม่ได้เราจะมันคับให้มันนั่งเฉยเฉยให้มันดูลมหายใจไปเมื่อให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเพื่อไม่ให้ไปคิดเพื่อให้หยุดความคิดเนี่ยถ้าหยุดความคิดหยุดความดยากได้ใจก็จะสงบชั่วคราวเพราะความอยากมันไม่ได้ตายไปกับ การนั่งสมาธิมันเพียงแต่ถูกกดเอาไว้เดี๋ยวพอออกจากสมาธิมาความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะหยุดความอยากได้อย่างแท้จริงถาวรก็ต้องใช้ปัญญาหรือเหตุผลเหตุผลก็คือการไปทําตามความอยากจะได้ความทุกข์ไม่ได้ความสุขความสุขที่ได้ได้เดี๋ยวเดียวนาเดียวก็ เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาก็การเป็นความทุกข์แล้วบลาอยากแล้ไม่ได้ก็ทุกข์แล้วได้สิ่งที่อยากได้มาแล้วเสียไปก็ทุกข์อีกได้แฟนมาเดี๋ยวแฟนจากไปก็ทุกข์อีกเวลาได้มาก็ดีใจได้เงินมาพอเงินหมดก็ทุกข์อีกได้อะไรมาพอมันหมดก็ต้องทุกข์แล้วทุกอย่างที่ได้มามันต้องหมด เพรามันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวนี่คือปัญญาได้เห็นว่าการไปหาสิ่งต่างๆตามความอยากนี่เป็นการไปหาความทุกข์เราก็ไม่ไปดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่เฉยๆนั่งสมาธิทําใจให้สงบดีกว่าเพราะใจสงบแล้วมีความสุขไม่ต้องมีอะไรมันก็จะทําให้เราเลิกความอยากได้ เมื่อไม่มีความอยากแล้วใจก็จะเย็นจะสบายอยู่เป็นสุขเพราะไม่มีตัวมาคอยกระตุ้นตัวที่คอยกระตุ้นคอยฉุดกระชา ก, ากใจให้ไปหาไปนู่นมานี่ก็เพื่อก็คือความอยากต่างๆนี่พอไม่มีความอยากก็ไม่มีอะไรมากระตุ้นมาทำให้ใจกระเพื่อมใจก็นิ่งสบายความนิ่งของใจนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงไม่ต้องมีอะไร มีความนิ่งอย่างเดียวก็พอมนความสงบแล้วใจก็จะอิ่มจะมีความสุขไปตลอดนี่คือเรื่องของการมาฝึกนั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีทาใจให้นิ่งทาใจให้สงบถ้าใจนิ่งใจสงบแล้วใจจะมีความสุขมีความอิ่ม มีความพอจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไรจะไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสจะไม่อยากได้เงินทองอยากไม่จะไม่ได้จะไม่จะไม่อยากเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็จะไม่ไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็เฉยไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราถ้าไปอยากว่ามันทุกข์ ไม่รั ล, ล้างกายแก่บัญญัติให้มันไม่แก่จะทําให้เราทุกข์ทำให้เราต้องไปหาวิธีทําให้มันไม่แก่เช่นผมงอกก็ไปย้อมมันหนังเกี่ยวก็ไปดึงให้มันตึงแต่ทํายังไงเดี๋ยวมันก็งอกอีดย้อมยังไงเดี๋ยวมันก็หงอ ก, อ ก, อ ด, ก, อกดึงยังไงเดี๋ยวมันก็เหีย่ยวฉะนั้น ไปฝืนความจริงไม่ได้ทุกไปเปล่าๆสู้ปล่อยให้มันแก่ไปดีกว่าปล่อยให้มันเจ็บไปดีกว่าปล่อยให้มันตายไปดีกว่าถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็ไม่ไม่เดือดร้อนถ้าเรามีความสุขจากการทําใจให้นิ่งเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายนี่คือ เนื่องของคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนี้ทำให้เราทำเพื่อให้ใจเรานิ่งทำให้ใจเราสงบทำเพื่อให้ใจเรามีความสุขความอิ่มความพอแล้วเราก็จะไม่มีความอยากได้อะไรดังนั้นถ้าตอนนี้เรายังอยากได้อะไรอยู่เราก็ต้องฝืนมันเช่นเราอยากจะ ไปเที่ยวเราก็ต้องฝืนเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทําบุญแทนจะได้ไม่ไม่มีเงินไปเที่ยวไม่ได้ไม่มีเงินไปเที่ยวก็อยู่ก็อยู่บ้านได้ใช่ไหมแต่พอมีเงินปั๊บมันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องออกไปเที่ยวกันอย่าอย่าไปมีเงินเงินนี้มันเป็นโทษมันเป็นไปเป็นตัวไปไปไปชรับใช้ความอยากซึ่ง ใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอความอยากไม่มีวันหมดไปกับการนับใช้มันมันมีแต่จะมีความอยากใหม่ๆโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเห็นถ้าไม่มีเงินก็ไม่สามารถไปรับใช้ความอยากได้อยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็ซื้อไม่ได้อยากจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ก็ซื้อไม่ได้ก็ต้องใส่คู่เก่าไปกระเป๋าใบเก่าก็ใช้มันไปมันก็ใช้ได้อยู่เวลาซื้อมาใหม่ๆก็ดีใจกันพอมัน ใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็ยังใช้ได้อยู่แต่ก็ไม่อยากจะใช้แล้วเพราะใจอยากจะได้ใบใหม่ขึ้นมาทั้งทั้งที่ใบเก่าก็ยังดีอยู่ถ้าใบาเก่ามันเสียก็ซื้อได้อันนี้ไม่ได้ซื้อด้วยความอยากซื้อด้วยความจําเป็นมาทดแทนใบเก่าเสื้อเก่าขาดก็ซื้อใหม่ได้อย่างนี้อย่างนี้ไม่เป็นปัญหาปัญหาก็คือของเก่ายังไม่ทันขาดเลยยังใช้ได้ดีอยู่ แต่ไม่อยากใช้แล้วอยากจะใช้ของใหม่ถ้าอย่างนี้ก็มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ก็ต้องดินน้นนนนหาเงินหาเงินมาเพื่อใช้ใช้หมดก็ไปหาใหม่มันก็วนเวียนอยู่ในวัฏวัฏจักรอันอันเดือ้ายนี้ไม่มีวันที่จะพบกับความสุขความอิ่มความพอจากการทําตามความอยากความอยากมันก็จะเพิ่ม มันจะโผ่ขึ้นมาเรื่อยๆวิธีที่จะตัดความอยากก็คืออย่าไปทำตามความอยากอยากจะซื้อกระเป๋าใใหม่ก็มีอยู่แล้วก็ไม่ซื้อมันต่อไปมันก็ไม่ซื้อมันก็ไม่อยากซื้อใบใหม่มีใบเดียวก็พอแล้วถ้าใบนี้มันหายไปเนือขาดไปใช้ไม่ได้ก็ค่อยซื้อมาทดแทนได้อันนี้ไม่ได้ซื้อด้วยความอยากซื้อด้วยเหตุผลซื้อด้วยความจำเป็น ถ้ามีเงินเดี๋ยวก็อยากจะไปเที่ยวที่นู้นที่นี่เอพอเอาเงินไปทําบุญหมดไม่มีเงินไปเที่ยวก็มันก็แล้วคิดไปเที่ยวเออยู่บ้านอยู่บ้านปลอดภัยกว่าไปเที่ยวเอคนที่ไปเที่ยวแล้วตายกันก็มีเยอะแยะไปรถคว่ำตายไปชนเอรถชนกันตายความตายอยู่บ้านสบายสบายปลอดภยัยกับไม่อยากจะอยู่กันเพราะความอยากมันทําให้อยู่ไม่ได้ อยากก็อยากเที่ยวแล้วมันอยู่ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีเงินมันก็จําใจต้องอยู่แล้วการงานเอาเงินไปทําบุญก็จะทําให้ใจอิ่มมิใจมีความสุขมาทดแทนความอยากเที่ยวได้ทําให้ไม่ต้องไปเที่ยวได้ถ้าทําบุญแล้วใจจะมีความอิ่มความสุขความพอนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าสอนให้เราทําบุญกันเพื่อ ตัดความอยากใช้เงินทองไปในทางที่ไม่ถูกการไปเที่ยวนี้เปรียบเหมือนกับการเอาเงินไปซื้อยาเสพติดยาเสพติดนี้ซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่พอเสพแต่เงินเอามาทำบุญนี่เหมือนกับเงินเอาเงินไปซื้ออาหารพอซื้ออาหารให้ให้ใจบุญนี่เป็นอาหารพอใจได้บุญใจก็อิ่มขึ้นมาใจก็สุขขึ้นมา แต่ก็ไม่หิวกับยาเสพติดดังนั้นเราเราไม่ไม่ติดยาเสพติดกันเพราะอะไรเพราะเราเอาเอาเงินนี่มาซื้ออาหารกินกันเวลาเราหิวเราก็เอาเงินมาซื้ออาหารกินกินแล้วเราก็อิ่มเราก็เลยไม่ต้องไปซื้อยาเสพติดถ้าไปซื้อยาเสพติดมันก็จะหิวอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะไม่อยากจะเอาเงินมาซื้ออาหารของติดยาเสพติดนี้ส่วนใหญ่มักจะผอมโซ so ไม่สนใจกับเรื่องของร่างกายสนใจอยู่กับเรื่องของการเสพยาดตอนัน้เดี๋ยวก็ทำให้ร่างกายติดเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปดังนนก็ให้เราจำไว้ว่าการใช้เงินตามความอยากนี่เป็นเหมือนซื้อยาเสพติดเช่นอยากไปเที่ยวอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่รองเท้าคู่ใหม่เสื้อผ้าชุดใหม่ เอาเงินที่จะมาซื้อของพวกนี้มาทําบุญดีกว่านอกจากเอาเงินนี้ไปซื้อกระเป๋าก็ได้แต่ซื้อเราอยาเก็บไว้เอาไปทําบุญเอาไปให้คนอื่นเอาไปให้เพื่อนก็ได้วันเกิดของเพื่อนเราชอบกระเป๋าใบนี้เราก็ซื้อไปให้เพื่อนเขาระยะซื้อมาใช้เองก็แล้วกันแล้วต่อไปรับรองจะไม่อยากจะซื้อกระเป๋าซื้อทีไรก็ต้องเอาไปให้คนอื่นจะซื้อมาทําไม บ้านเราก็จะได้ไม่ยกลุงหลังด้วยข้าวของต่างๆข้าวของเต็มไม่หมดเช่แทบจะหาที่เก็บไม่ได้ซื้อมาแล้วก็วางไว้เฉยๆ เ, เก็บไว้ในตู้ไม่ได้อามาทําอะไรแต่เวลาเห็นแล้วอยากได้พออยากแล้วมือไม้คันเลยหมดถ้าจะหาคันกต็ต้องจ่ายเงินไปพอเงนินหมดก็หายคันพอได้ของมาแล้วก็หายคัน เดี๋ยวพอมีเงินใหม่ก็คันขึ้นใหม่อีกเลยถ้าเอาไปทําบุญต้องไม่คันเอาไปแล้วจะเย็นจะสบายจะมีความสุขมีความอิ่มแล้วยังได้ประโยชน์จากเงินที่ไปทําบุญเหมือนกับเอาไปฝากในธนาคารเดี๋ยวชาติหน้ากลับมาก็เบิกได้มีเงินฝากไว้ในธนาคารบุญมีดอกเบี้ย ด, ด้วยทําบุญชาตินี้กลับมา อาจจะได้สิบเท่าของชาตินี้ที่เราฝากไปเพราะมันมีดอกเบีย้ยเพราะกว่าเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี้อีกอ า, อาจจะอีกหลายร้อยปีคิดดูดอกดอก เ, เบีย้ยหลายร้อยปีนี้มันจะซักเท่าไหร่กันมันจะสมทบขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเวลาตายไปตอนที่ยังไม่ได้มาเป็นมนุษย์ก็ได้ไปเป็นเทวดาเพราะมีบุญพาไป เน่บุญมีประโยชน์กว่าเอาเงินไปซื้อความอยากถ้าเอาเงินไปใช้ตามความอยากไม่ไม่เอามาทําบุญตายไปก็ไปเป็นเปรตไปเป็นขอทานเพราะไม่มีบุญติดตัวไปมีแต่ความอยากความหิวติดตัวไปตัวเองไม่มีบุญก็ต้องมารอารับส่วนบุญมาเป็นขอทา น, เ, นเวลาคนเวลาพวกเราทําบุญแล้วกดน้ําไปเนี่ยก็กดบุญไปให้พวกที่ไม่ได้ทําบุญตอนที่มีชีวิตอยู่ พอโมแต่เอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดืม่มไปเล่นกันรมยไม่มีบุญติดตัวไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาฟังเทศฟังธรรมจะทำให้เราได้สิ่งที่ดีทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่เราตายไปณถ้าเราปฏิบัติบุญขั้นสูงสุดคือทํา ได้มีปัญญาได้เราก็จะตัดความอยากต่างๆได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้ายังตัดไม่ได้ก็อย่างน้อยตายไปก็ไปเป็นเทพเป็นพงไปก่อนแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเบิกเงินที่เราทําบุญไว้แล้วก็มาทําบุญต่อมาปฏิบัติธรรมต่อไปจนกว่าจะไปถึงพระนิพพานจนกว่าเราจะตัดความอยากได้หมด พอตัดความอยากได้หมดก็ไม่ต้องกลับมาเกิดจะตัดได้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีอยู่ของเราแทนที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเราก็มาหาความสุขทางใจกันมาถือศีลแปดกันมานั่งสมาธิไปเปีกวิเวกอยู่คนเดียวหาความสุขจากการทำใจให้สงบล้วก็สอนใจด้วยปัญญา มาการทำตามความอยากนี้เป็นทุกข์ก็ตัดความอยากทุกอย่างไปตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นพอตัดความอยากสามชนิดนี้ได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปความอยากที่ดีไม่ต้องตัดอยากทำบุญไม่ต้องตัดอยากรักษาศีลไม่ต้องตัด อยากนั่งสมาธิอยากฟังเทศฟังธรรมอยากปฏิบัติธรรมนี้เป็นความอยากที่ดีอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นสิ่งที่จะให้ตัดให้ตัดความอยากในลุหาความสุขทางตาหูจ ม, มูกนิ้วกายตัดความอยากในการหาความสุขจากการเป็นใหญ่เป็นโตจ า, จากการการร่ำรวยแล้วก็ตัดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันเป็นความทุกข์ นี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้รับประโยชน์จากการที่เรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันฟังแล้วเราก็ต้องนำออกไปปฏิบัติตอนนี้ต่อไปนี้เวลาจะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาไปทำบุญเลยเอาเงินไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ถ้ายังใบเก่ายังใช้ได้ดีอยู่ก็เอาไปทำบุญเลยแล้เวเราจะมีความสุขใจเพราะบุญเป็นอาหารใจทาให้ใจนีอิ่ม จะไม่หิวกับการไปเที่ยวจะไม่หิวกับการไปซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้าอะไรต่างๆถ้าจะซื้อก็ซื้อด้วยความจำเป็นแล้วเราก็จะได้มีเวลามาถือศีลแปดกันมาทำบุญเอามานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันตอนนี้ถ้าเรายังรักษาศีลแปดไม่ได้ก็รักษาศีลห้าไปก่อน ออการรักษาศีลนี้จาเป็นถ้าอยากจะไปเกิดในสวรรค์ไม่ไปอบายจำเป็นจะต้องรักษาศีลควบคู่ไปกับการทําบุญทําบุญแล้วก็รักษาศีลตายไปก็ได้ไปเป็นเทศไปเทเป็นเทวดาถ้าไม่รักษาศีลตายไปก็ต้องไปอบายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรก ถ้าไม่อยากไปก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ถ้าเป็นคนชอบทําบุญก็จะรักษาศินได้ง่ายคนที่ชอบทําบุญจะไม่ชอบทําบาปแต่ถ้าคนไม่ชอบทําบุญมักจะชอบทําบาปเพราะอยากจะได้เงินเยอะๆเพื่อจะได้เอาไปเที่ยวไปเด่นไปกินกั น, นแต่คนที่ชอบทําบุญจะไม่ชอบอ่ไม่ชอบทําบาป ก็ไม่ไม่ไม่ต้องการที่จะมีเงินทองไปเที่ยวหาเงินทองเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปทําบาปคนที่ทําบาปมักจะได้อยากจะได้เงินทองเยอะๆเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวไปซื้อของแพงๆคือกระเป๋าแพงๆใช้ซื้อเสื้อผ้าแพงๆซื้อรถยนต์แพงๆของมันแพงเงินต้องใช้เงินเยอะหาเงิน อยากจะให้มันได้เร็วได้ง่ายได้มากก็ต้องโกงต้องหลอกลวงกันเนี่ยมันก็เลยทำให้เวลาตายไปต้องไปนรกกันไปเป็นเปรกันไปเป็นเดลฉานกันเพราะความอยากได้เงินง่า ย, ายๆเร็วๆมากๆนี่ทำให้ทำบาปเพราะว่าใจหิวกับความอยากต่างๆแต่ถ้าเอาเงิน มาทำบุญใจก็จะไม่หิวใจก็ไม่ต้องไปทําบาปเพื่อที่จะไปหาเงินมาใช้ตามความอยากการทําบุญจะมีประโยชน์ได้อย่างเป็นทำให้เรารักษาศีหน้าได้ง่ายขึ้นกว่าคนที่ไม่ทําบุญคนที่ไม่ทําบุญคนที่เอาเงินไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปดืนน่มเองจะอยากหาอยากได้เงินเร็วๆอยากได้เงินมากๆ เพื่อจะได้มาเที่ยวต่อมากินต่อมาเล่นต่อก็จะต้องไปทําบาป ก, กันแล้วก็บุญก็ไม่ทำตายตายก็เลยต้องไปเป็นเปรตแล้วถ้าทําบาปหนักก็ไปนรกนการทําบุญนร่งๆเป็ น, เ ป, นเป็นเหตุที่จะทําให้เรารักษาศีลกันได้เราก็จะทําให้เราตายไปก็ไปสวรรค์กันแล้วถ้ามานั่งสมาธิได้ตายไปก็ไปอไป ไปนิพพานกันนะนั่งสมาธิเจริญปัญญาได้ตัดความอยากต่างๆได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเนีย่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นการปฏิบัติตามคําสอนของท่าเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดเนี่ยอยู่ในระดับทำบุญรักษาศีลก็ได้ไปสวรรค์อยู่ในระดับปฏิบัติธรรมก็ได้ไปนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่คือสิ่งที่เราต้องนำเอาไปปฏิบัติแล้วไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะ ว, วันนู้นวันนี้อันนี้มันเหมือนการรักษาร่างกายเหมือนต้องรักษาอย่างต่อเ น, นื่องโครคภัยแค่เจ็บจึงจะหายไม่ใช่จะไปรักษาเพียงแต่เฉพาะวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์วันอื่นก็ขอไปทํางานอย่างนี้รักษาในร่างกายก็ไม่มีวันหายเวลาไม่สบายนี้ไปดองพยาบาลหมอก็ไม่ได้เขาไม่ปล่อยให้กลับไปทํางาน ภาวก็ต้องรักษาให้หายก่อนถึงปล่อยให้กลับบ้านไปทำงานได้ฉันใดถ้าเราต้องการรักษาใจที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเราก็ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องปฏิบัตินี้ก็เป็นเหมือนการรักษารักษาไปเรื่อยๆจนกว่าความทุกข์หายไปหมดความอยากหายไปหมดใจสบายมีความสุข อันนั้นถึงจะเลิกปฏิบัติได้ไม่ใช่ปฏิบัติกันแค่เดือนละครั้งสองครั้งอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอันนี้มันไม่ได้เรื่องต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทำบุญก็ทำอย่างต่อเนื่องมีเงินเมื่อไหร่จะเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกก็เอาไปทำบุญแทนรักษาศีลก็ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่รักษาแต่เฉพาะวันพระวันอื่นก็ไม่รักษาไม่อ่งั้นโลกมันไม่หายใจจะไม่หายทุกความอยากมันจะไม่หมดไปดังเมื่อเราศึกษาแล้วรู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรแเราก็เอาไปปฏิบัติกันถ้ามีเงินก็ทำบุญศีลก็รักษาศีลห้าไปก่อนถ้ามีกำลังก็รักษาศีลแปด วารักษาสินแปดจะช่วยให้เรามีเวลามานั่งสมาธิกันถ้าไม่รักษาสิลแปดเดี๋ยวมันก็ไปทำอย่างอื่นได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้ไปดูละครได้ไปเที่ยวได้ไปกินเลี้ยงได้ไปงานเลี้ยงต่างๆได้มันก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันไม่มีเวลามาฟังเทศฟังธรรมกันงั้นก็ขอให้เอาไป ปฏิบัติตามกําลังของเราเราทําอะไรได้ก็ทําไปก่อนมีเงินก็ทําได้แล้วเนี่ยพอมีเงินก็เอาไปทําบุญเลยถ้าจะเอาไปเที่ยวก็เอาไปทําบุญถ้าจะเก็บไว้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็เก็บไว้ได้ถ้าจะเก็บไว้ในกรณีเพื่อวันข้างหน้าไม่มีไรายได้ต้องอาศัย เ, เงินสํารองก็เก็บไว้ได้แต่ยาเอาไปใช้ต่างความอยากเก็บไว้เพื่อใช้กับความ ความจําเป็นพอจะไปเที่ยวก็เอาไปทําบุญไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็เอาไปทําบุญจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็เอาไปทําบุญแล้วถ้าของที่เรามีมันพออยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องซื้อมาเพิ่มก็อย่าซื้อมาดีกว่าเอาเงินมาเอาเงินไปทําบุญไปซื้ออาหารให้กับใจดีกว่าไปซื้อยาเสพติดให้กับใจ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พรเยถาวะเววาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตตทินาเปตานังอุปการปฏิอิจิตังปะทิตังตุมหังคิดเปเอวะสมิจโตสัตเทปุเรนตุสังกปา จันโทปนะวะโสยะตาเมณิโุติวะโสยะตาสปิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตะวันตราโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาธานสีลิสะนิจจังุทธาปจายิโน ตะตาโรธัมมาวทานติอายุวนโนสุขังภาลางา <c oughs> ใครทองอานหนังสือซีดีก็หยิบไปได้นะนะเอาไปอ่านจะได้รู้ว่าวิธีปฏิบัติทำอย่างไรบ้าง ต้องปฏิบัติเองนะไม่มีใครจะมานำพาเราได้สอนได้บอกได้วิธีแต่เราต้องเป็นตัวที่ต้องบังคับตัวเราให้ปฏิบัติกันถ้าเราให้คนอื่นเขาบังคับเวลาไม่มีเขาบังคับเราก็จะปฏิบัติไม่ได้เดี๋ยวสอนไวไ้เต็ม เมื่อไรพื่งมาถึงค่ะมาถึงก็เลยว่ามีเวลาก็เลยมาอืงเทศว่าใจตั้งใจว่าใสัยบาทแล้วก็อืวันที่สองวันตายวันที่สองคือวันตายได้่ละก็ว่าใจมีสิทธิ์แรงอย่แรงนะวันเกิดก็ต้องมีวันตายถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายถ้ามีเกิดก็ต้องมีตายะดีมาถึงวังน้ําเขียวด้วยนะ อ๋อก็เลยว่าเฮ้ยมีเวลเมื่อมันให้ได้กี่วันก็เอาละมาเลยมาเลยดีทำเลยทำบุญด้านอะไรทำไปเลยเจ้าคะตาจานั่งช่วงเข้าบรรษาเจ้าค่ะหนูก็ไปอยู่บ้านแรักษาสินแก่เนี่ยแหละที่นี้ยังส่ายรูปได้อ๋อถ่ายรูปได้อ๋อถ่ายดีกว่อไม่เป็นไร ที่ผาจายมากเลยเฟซเนี่ยเนาะอ่ามันก็อดได้นะเวลาปฏิบัติต้องปิดหนูตาห้ามดูทีวีดูหนังซื้อพิมพ์ห้ามอะไรหมดถ้าไปอยู่วัดอ่ะได้ได้หมดอ่ะเฟซตัวเดียวนี่แหละกับไลน์เนี่ยถ้าดูธรรมะไม่เป็นไรถ้าดูธรรมะได้อยู่แต่ถ้าแต่ถ้าดูเรื่องอื่นอย่าไปดูก็ถึงบ่ายสองปเปิดเปิดผาจายที่จระทั่งเน็ตมันหมดนะ ทีนี้มึงขังมึงก็อุอุดไว้ได้ก็ยอมเสียเสียอยอะแต่ไม่อันเดียวคือพรอาจะรย์ท่าไมใจมันชอบออกไงมันไม่ชอบเข้าข้งในเลยต้องมันจึงไม่สงบกันไงเราถึงต้องดึงมันเข้าข้างในการดึงได้ก็ต้องตัดข้างนอกออกไปอย่าไปยุ่งก็เลยขอพระอาจารย์สมว่าถ้าถ้ามีโอกาสก็ที่ครั้งมันก็จะเข้าไปอยู่ในวันค่ะที่ผ่านมาไม่เคยได้เข้าไปราว่า คนมันเยอะใช่ไหมนี่คนน้อยนะนี่คนน้อยก็สบายไม่ต้องไปเบียดเบียนใครได้เลยขอพระเจ้าสมว่าถ้ามีเวลาก็ขอไปอยู่สองสาวันแล้วก็กลับบ้านนะแต่ที่เข้าพารษานี่ก็อยู่เกือบทั้งพรรษาแหะมามาพรอาจารย์สองสวันแล้วก็กลับไปอดีดีไปเถอะก็ยังฝึกเอาหนะใช่ของนี้มันต้องหัดนั่นน่ะเรียนหนังสือเนี่ยมันต้องไปเรียนไปหัดทํำเน่อยหัดทําไปเรื่อยแล้วก็ทํานานี่เรียนก็ง่า หลวงตานั่นก็ไม่เคยเข้าวัดมาก่อนะพอท่านบวชท่านก็หัดไปหัดไปเอเดี๋ยวท่านก็เก่งเลยแต่ตอนนี้พอดีพ่อบ้านพ่อบ้านก็อยู่บ้านใช่ไหมครับชาวก็เอาหารไปให้เราใส่บาตรก็พอดีเขาได้เขาอัดเสพพระอาจารย์ก็เขาก็ฟังพระอาจารย์อ่อออบ้านบางทีก็ไปในรถกรฟังอเลย มันก็ค่อยซิมซาบเข้าไปเกละาและเกลียน้อยพอใจเมตตาเหมือนกันเอาเลยเป็นที่เลยก็มีสองคนเลยอ่ะนเมื่อที่บาลมาต่างคนต่างดูแลกันดช่ไหมครบข้อาานี้เราบอกาตงช่วยตัวเองต่อไปแล้วหาช่วยตัวเองตอนไปที่พึ่งของตน พอีน้องสาวเขาอยากมาก็เลยเอาไหนไหนมาก็ศิลป์เยกับห่อมาด้วยเลยอ่าเด็ทําไปถ้าไปทําบุญไปเลยนะถ้าไปเที่ยวอยาไปส่มากส่วมากไม่ค่อยได้เที่ยวหรอกคือจะมาเนี่ยอ่ได้ก็มามากราบพระอาจารย์ีเขาจะถามเลยว่าเห็นทะเลไมเลยบอกทะเลไม่ค่อยได้ไปคอเราไมอยากไปนะคือเมื่อก่อนโอเคเมื่อก่อนเราไม่รู้จักก็ไปเนาะแต่ตั้งแต่มาหลายครั้งมันไม่มีความหมายหรอก ทะเลมันก็ทะเลเช้าว่าใส่บาตรกลับไปบายมาเสร็จเทเส็จใส่บาทเสร็จก็ตลับอุนรเลยมันก็ยังมีภาล่านะคะับอาจารย์ปรทำไปมีเวลาว่างก็มาปฏิบัติอมีใครอยากจะถามอะไรไหม ถาได้นะถ้าที่พูดไปแล้วยังไม่เข้าใจตรงไหนเกิดนั่งไปแล้วจิตมันก็สงบไปก็นานพอสตัวแล้วแต่บางทีมันก็เหมือนตัวมันจะลอยๆทําให้เราแบบกลัวอย่างนี้ยค่ะไม่ต้องกลัวหรอกมันเป็นความรู้สึกหลอกเราพุทโธไปใช่ไม่มีอะไรหรอกลอยได้ก็ดียังไม่ต้องขึ้นเครื่อง บางทีก็ลอยจริงๆก็มีนะน้องปู่สาวนี่ท่านนั picture, um, hmm. ่งแล้วโตต้องท่านลอยขึ้นมาไม่เป็นไรลอยถ้าเรามีสติก็ไม่มีปัญหาอะไรมลก็คอยประทับประคองไว้เหมือนกันชอบชอบไปเขติงเล็กแต่ไม่มีแม่ใช่ไหมคะเลี้ยงกันมาเนี่ยมก็แต่งงานเขาอยู่กรุงเทพชอบไปวัดไงก็เลยแบบนี้กลับไปอยู่ร้อนแล้วกันกลับไปวัดก็แต่เขาจะชอบบัานแบบนี้ ใช่รอดป่าพอสงบอ่าแล้วเป็นนี้ที่มีสร้างเลยเขาก็แมวแมวมันวุ่นวายจิตไม่มีความสงบอืถูกแล้วการปฏิบัติต้องไปอยู่ที่เงียบเงียบแลพยายามทําบ่อยๆทํามากๆทําให้ชํานาญเพามันจะช่วยเราเวลาเราไม่สบายใจเราก็ไปนั่งสมาธิเดี๋ยวก็เดียวก็หายไม่ต้องไปช้อปปิ้งให้เสียเงินเสียทองไม่ต้องไปเที่ยวให้เสียเงินเสียทอง นั่งสมาธิเดียวๆใจสงบก็หายทุกข์แล้วนะเป็นห่วงสองหวงอ่วอรูปรูกชนะูปสาวอันนั้นต้องใช้ปัญญาตัดพิจารณาว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟ <c oughs> มาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปนางกายนี้มันมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเวลามันก็กลับไปสู่ดินน้ำลมใจใช่ไหมเวลาคนตายไปหายไปไหน ดินก็ไปทางน้ำก็ไปทางลมก็ไปทางไฟก็ไปทางนั้นไม่มีอะไรในร่างกายไม่มีคนไม่มีสัตว์ออืลูกไม่ได้อยู่ในร่างกายลูกอยู่ในใจที่ไม่ตายใจก็ไปหาหาร่างกายอันใหม่ไปหาพ่อแม่คนใหม่ก็่อปอย่างนี้เหมือนกัน เ, เราเราก็เมื่อก่อนก็มีพ่อแม่คนเก่าพอร่างกายอันเก่าตายไปเราก็มาได้พ่อแม่คนใหม่ได้พี่น้องใหม่กัน เ, เดี๋ยวก็ต้องแยกทางกันไปอีกเพราะมันนี่เป็นธรรมชาติของร่างกายมันเป็นการรวมตัวของดินน้าลมไฟเวลามาเกิดมันรวมตัวกันเวลาตายมันแยกตัวออกจากกันเบาชักนมดรู้สึกใกล้ไปหน่อยเสียงรู้สึกสะท้อนนิดหน่อยถ้าอยากจะตัดความพวงใหญ่ก็ดูให้มันเห็นว่าเป็นเพียงดินน้าลมไฟ ทุกเราวมาไปห้ามเขาไม่ให้แก่เจ็บตายได้หรือเปล่าทุกเขาก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมสอนเขาก็พอแล้วสอนเขาวิธีให้เขาเลี้ยงดูตัวเขาเองได้ไม่ให้เขาเดือดร้อนพอเขารู้แล้วก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องเลี้ยงดูตัวเขาเองพราะเราไม่สามารถอยู่เลี้ยงดูเขาไปได้ตลอดทักวันเราก็ต้องจากเข้าไป แ้วสักมันก็ต้องจากไปจากตัวของก็ไปเองเหมือนกั น, น, นยังดูยังไง ร, ร่างกายเดิมมันก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมจะพอให้มันอยู่ได้ก็พออยู่เพื่อเอามาทำบุญเอามาปฏิบัติธรรมเท่านั้นแหะพอบรรลุแล้วก็ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วอาจารย์ใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นมารดารถ้าเกิดมารดาไม่ยอมให้เรา ใครจะมาห้ามเราได้ล่ะเวลาเราไปเที่ยวแม่มาห้ามไม่ให้ไปเที่ยวไปหรือเปล่าฮ <c oughs> ะเวลาจะไปมีแฟนห้ามแม่ห้ามไม่ให้มีแฟ น, แแฟนไปอเปล่าแล้วพอไปบวชไปบวชไปปฏิบัติธรรมจ้ทำ ไ, ไมจะให้เขามาห้ามเราทําไมไปปฏิบัติธรรมได้จะ บ, บวชตลอดเห็นไหมเราไม่ต้องขอเขนี่ยประตูของเราไม่ต้องไปขอถ้าเราไม่ได้ไปบวชพระเราไม่ต้องไปขออนุญาตจากพ่อแม่ถ้าแม่ยังพึ่งเราอยู่ก็ต้องเลี้ยงดูท่านต่อไป <c oughs> แลี้วงดูแบบใบบวชก็ได้ส่งเงินมาให้ก็ได้เนี่ยเดีบวชที่บ้านก็ได้ปฏิบัติที่บ้านก็ได้ไม่ได้เลี้ยงทั้งวันทั้งคืนนี่เวลาว่างก็มีเราก็ไปปฏิบัติเวลาทําหน้าที่ก็ทําหน้าที่ไปได้ปฏิบัติกับทําหน้าที่ควบคู่ไปกันได้แต่มันสู้ปฏิบัติอย่างเดียวไม่ได้ ถ้าไม่มีพระอะไรอื่นเยมันก็จะทำให้ไปถึงไวกว่าถ้ามีพระอื่นมันก็ทำให้ไปล่าช้ากว่าแค่นั้นเองแต่มันก็ไปถึงจดได e e ้ตามใดมีการปฏิบัติตามนั้นก็ต้องมีผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามมาเห็นปฏิบัติได้อันนี้ไม่ต้องขออนุญาตใครนอกจากมาบวชพระเท่านั้น ข้าพุทธเจ้าต้องขอให้ขอเพราะกลัวว่าเดี๋ยวพ่อแม่จะมาหาว่าหลอกลูกมาบวชไม่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวจะหาว่าล้างสมองศาสนานี้ไม่ต้องการจะล้างสมองใครแต่สอนความเป็นจริงให้ถ้าเขาศรัทธาก็อยากจะบวชนี้ก็บวชได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากพ่อแม่ก่อนถ้าพ่อแม่เห็นชอบก็บวชได้เดี๋ยวพ่อแม่จะมาฟ้องร้องาศาสนาว่า มาหลอกล้างสมองลูกเขาให้ทิ้งพ่อทิ้งแม่อะไรว่าไปจะไม่หลอกศากสนาสอนให้รักพ่อรักแม่ให้เคารพพ่อเคารพแม่แม้แต่มาบวชนี่ยังเอาข้าวที่บิณตบานนี่ไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้พระพุทธเจ้าอนุญาตติดก่อนี้พิเศษถ้ า, าไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่เอาไปได้เลยแต่ถ้ า, าไปเลี้ยงคนอื่นนี่ต้องอมาแบกพระก่อนต้องนิ่งพระก่อนถ้าพระมีพอแล้วพระจะไปเลี้ยงคนอื่นต่อก็ได้ าพ่อพระต้องดูแลกันช่วยกันเรากลัวกิเลสของเรามันจะอ้างมากกว่าอ้างว่าพ่อแม่ไม่ให้ไปมันจะเลยมันก็เลยมันดีไม่ต้องไ ป, น, ป น, งนั่นแหละกิเลสมันชอบห่วงเรื่องที่ไม่น่าห่วงไอ้เวลาไปเที่ยวเมนห่วงใครเลยห่วงแต่เงินพอใช้่รึเปล่า ก, กิเลสมันชอบดึงเราไว้มันไม่ยอมปล่อยเราไปง่ายๆหรอกต่อไปง่ายๆก็ไปเป็นบรรลุกันหมดแล้วอนี้ในโลกเนี้ยไม่มีอะไรจะวิเศษเท่ากับการบรรลุธรรมแต่ไปกันไม่ได้เพราะถูกกิเลสมันหลอกดึงไว้ทั้งนั้นนีด้วยเหตุผลต่างๆพ่อมั่งแม่บั่งลูกบ้างสามีมั่งภรรยาบ้างความสุขความสบายบ้างใครติดสุขกับการอยู่บ้างก็ไม่อยากจะไปอยู่วัด อยู่วัดแล้วมันลำบากอะไรก็ไม่พรอมไม่สะดวกอะไรจะดูก็ไม่มีอะไรจะฟังก็ไม่มีจะกินก็กินได้เฉพา ะ, <ม>ะก่อนเที่ยงเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุไม่ให้อยากไปวัดกันไม่อยากไปปฏิบัติกันกิเลสมันไม่ยอมให้เราไปง่ายๆหรอกที่ไม่ได้ไปกันไม่ใช่ใครหรอกกิเลสเทนั้นแหละ แต่มันก็ฉลาดมันไม่มันไม่มันไม่โผล่ออกมามันอ้างคนอือ้างพ่ออ้าอะไรต่าง ๆ, างๆร้อยแปดพันประกาศคนที่เขาไปได้ไม่เก็มีปัญหาเลยแต่เขาไปบ้างคะย่งย่งแม่บอกว่าให้ไปสามเดือนแต่ก็ เ, เป็นสาอะไรอย่างสามเดือนเดือ น, นอย่างเง<ๆ>ี้ยให้ไปแต่ให้ไปตลอดเงี้ยอย่าให้ให้อ่าก็ให้เวลาก็ไปท้าได้ก็ให้ก่อน เดี๋ยวเขาตายไปเราก็ไปได้ตลอดเองรอรอมันต้องมีวันตายสักวันนะเป็นใครไม่ตายบ้างมั อ, องโกรธตายไปแล้วเปลี่ยนใจไม่อยากไปซะแล้วเลยกิเลสมันหลอกอีกนะบอกแต่ยังสาวอยู่อย่าพงไปเลยหาความสุขทางโลกก่อนดีกว่า ไม่เราแก่แล้วค่อยไปฮี่วิเนต์มันมีเหตุผลน้อยแปดพันประการนะระวังนะมัน <c oughs> จะแอบอ้างหลอกเราอยู่เรื่อย <c oughs> มีใครอยากจะถามไหมไม่ไม่ถามจะให้ทางบ้านก็ถามบ้างมีเข้ามาเท่าไหร่วันนี้ส <c oughs> องรอยแ <c oughs> ปาอระมาณนี้อยู่ไปวันหนึ่งต <c oughs> อนดีไม่สะดวก ก็จะปิดทางเข้าออกพอมีผู้ใหญ่ก็จะมาอาชมสถานที่มาทําทำทําอะไรถ้าปล่อยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวกลัวจะลงไปไม่ได้ว่าได้กล่าวว่าเขามาสายมาทั้งสี่โมงแล้วกว่าจะกลับเกือบหกโมงเดี๋ยวพวกที่ขึ้นมาฟังเทศเสร็จจะกลับก็ลงไปไม่ได้เขาไม่ไมเขาห้ามเข้าออกกันก็เลยคิดว่าอย่ามาดีกว่า เน่ยตั้งแต่แสดงทำมาเนี ma, ye, ่ยม no ีว hm ันหยุดวันเดียวเนี่ยมีวันไหนที่เราหยุดบ้างไมไม่มีนะมีเมื่อวานในวันเดียวที่ได้หยุดถามมาทางบ้านใครจะถามก่อนคถามจะเป็นฟนะคะรมอรันออนยูทล์อาจารย When things go wrong in conventional situations, what is your advice to lay people to help them overcome these issues? From this point of view, just let go, just let it be. Whatever happened, happened. Whatever will be, will be. In the end, you die anyway. So no matter you win or you lose, you don't take anything with you. So if you let go and you find peace and happiness, then you should let go. If you don't let go, you you'll find uh, misery misery and and trouble. Then it's better to let go. คำถามจากคุณนางฟ้านั่งสมาธิเดินจงกรมและพิจารณากายตลอดวันมีอาการคือนอนไม่หลับ เหมือนจิตตื่นตลอดเวลาแต่ไม่ได้คิดกุ้งสัน้นไม่ยอมนอนจนถึงเช้าพยายามพุดโธรจะได้หลับแต่ก็ไม่เป็นผลอยากทราบว่าเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากการคิดพิจารณานี้มากเกินไปถึงบอกว่าการจะพิจารณานี้ควรจะทําสมาธิให้ได้ก่อนเพราะสมาธินี่จะเป็นเหมือนยานอนหลับเวลาอยากจะหลับเราก็หยุดพิจารณาเข้าสมาธิไป แต่ถ้าเข้าสมาธิไม่เป็นหยุดความคิดไม่เป็นพอพิจารณาแล้วมันก็จะมันก็จะไม่หยุดนั่นก็จะนอนไม่หลับนั้นการเจริญปัญญานี้เป็นขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งนี่ต้องเจริญสติก่อนมีสติหยุดความคิดให้ได้ก่อนเมื่อมีสติหยุดความคิดแล้วค่อยปล่อยปล่อยให้คิดพอคิดแล้วพออยากจะหยุดคิดก็หยุดได้แต่ถ้าไม่มีสติถ้าปล่อยให้คิดแล้วมันจะเหมือนปล่อยให้รถวิ่งลงเขา ลดลงขา่าว่าถ้าไม่มีเบรกมันไม่มีวันหยุดอ่ะเพรงั้นการที่จะปล่อยความคิดให้ไปคิดทางปัญญานี้ต้องรู้จักหยุดมันให้ได้ก่อนถ้าหยุดไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างเนี้ยขนาดหนงตามีสมาธิมันยังไม่หยุดเลยอันเราให้ฟังว่าบางทีนอนไม่หลับสามวันสามคืนพอทางออกทางปัญญานะอพอไปกราบเรียนหลวงปู่มัน่หนหลวงปู่มั่นบอกว่ากําลังหลงสังขาร ไปติดสังขารความคิดปรุงแต่งต้องกลับมาเข้าสมาธิท่านพอเข้าใจท่านก็หยุดได้ท่านก็กลับเข้าไปสมาธิได้เพราะท่านมีท่านรู้จักวิธีเข้าสมาธิแา่คนที่ไม่รู้จักวิธีเข้าสมาธิพอปล่อยให้มันคิดแล้วมันก็จะไม่หยุดจนกว่ามันจะหมดแรงเหนื่อยนอนจนกระทั่งมันไม่ได้นอนสามสี่วันเนียมันเหนื่อยมันก็หลับไป หลังจากคุณจิตมานีการนั่งสมาธิโดยจิตจดจิต จ, จ, ตจดจ่อกับการฟังธรรมมสนดเทปพระอาจารย์โดยไม่ได้จดจ่อกับคําบริกรรมถือว่าเป็นการปฏิบัติจเจริญสมาธิหรือไม่ทุกครั้งที่นั่งและฟังธรรมไปด้วยจิตจะสงบสบายสติจะจดจ่อกับการฟังธรรมค่ะถูกต้องถ้าฟังธรรมเราต้องฟังอย่าไปพูดโทแข่งกันนะมันไม่ใช่เวลา การเราจะใช้พุโทโธแล้ดูลงนี้เราต้องอย่าไปฟังธรรมการฟังธรรมนี่นอกจากจิตสงบแล้วยังได้ปัญญาได้ความรู้ด้วยอย่างที่เรามาฟังธรรมวันนี้เราก็ได้ความรู้แล้วใจเราก็สงบอย่างนี้นเวลาฟังธรรมอย่าไปพุโทโธอย่าไปดูลมหายใจเข้าออกให้ตั้งใจฟังไปเรื่อยๆแล้วความรู้ความเข้าใจก็จะเกิดขึ้น มาแล้วความสงบ ก, ก็จะเกิดขึ้นมาคำ ถ, ถามจากคุณจุธมนการที่ชาตินี้เกิดมาเป็นสัตว์เช่นหมาแมวเพราะชาติก่อนเคยผิดผีข้อหนึ่งหรือเปล่าคะแล้วคนที่ไม่ได้ฆ่าสัตว์แต่ชอบแกล้งสัตว์ทรมานสัตว์จะได้รับผลกรรมอย่างไรคะก็การทําบาปเนี่ย ต้องไม่ใช่เฉพาะข้อหนึ่งต้องทั้งทั้งสี่ข้อนียทั้งสี่ห้าข้อนี้ข้อที่ห้านี้นอาจจะไม่ไม่ได้ไปทำไม่ไม่ถือว่าเป็นบาปการดื่มสุราเนี่มันเป็นอบา ย, ยมุกมันทำให้ไปไม่มีสติแล้วห้ามห้ามใจไม่ให้ไปทำบาปไม่ได้ถ้าไปทำบาปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงข้อใดข้อหนึ่งมันก็จะพาให้ไป เกิดในอบายชั้นใดชั้นหนึ่งได้ส่วนการไปกลั่นแกล้งคนนั้นเบียดเบียนคนนี้แต่ไม่ถึงกับผิดศีลก็จะได้รับกลับมาเหมือนที่เราทําเขาเรากลั่นแกล้งใครเดี๋ยวเราก็ถูกเขากลั่นแกล้งเราเราไปแกล้งใครเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาแกล้งเราใช่ไหมเราไปด่าใครเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาด่าเรามันก็ให้คิดว่าทําอะไรก็ได้อย่างนั้นทำดีก็ได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดี ให้สุกแก่ท่านสุกนั่นก็กลับมาหาเราให้ทุกแก่ท่านทุกนั่นก็กลับมาหาเราคำถามจากคุณวิไลลัเรื่องจีวรพระพระป่ากับพระบ้านใช้จีวรเหมือนกันได้ไหมคะหรือว่าต่างกันจะมาใช้เหมือนกันไม่ได้คือแต่ละวัดนี่ก็เป็นเหมือนโรงเรียนที่มีเครื่องแบบไม่เหมือนกัน แั้นอยู่โรงเรียนไหนก็ใช้เครื่องแบบของโรงเรียนนั้นมาอยู่วัดไหนก็ใช้ผ้าสีไหนก็ใช้ต่างเข้าไปเพื่อจะได้เป็นความามีระเบียบเรียบร้อยท่านั้นเองการจีงผ้าก็เป็นผ้านุ่งห่มเหมือนกันเแต่ว่าแต่ละวัดเขาก็มีธรรมเนียมการย้อมสีย้อมผ้ามาไม่เหมือนกันแล้วแต่ครูบาอาจารย์ผู้นําผู้ก่อตั้งวัด ท่านใช้สีไหนลูกศิษย์ก็ใช้ตามกันมาท้านั้นเองไม่มีอะไรไม่มีอะไรวิเศษกว่ากันหรือด้อยกว่ากันไปใช้สีผ้าในเมืองก็ได้ผ้าในวัดป่าก็ได้แต่เมื่ออยู่วัดไหนก็ควรจะใช้ให้มันถูกกับวัดเขาเดี๋ยวจะไปเป็นแปะแกะดำโดยใช้เหตุไปอยู่วัดบ้านแล้วก็เอาเอาว่าผ้าจีวรวัดป่าไปใส่เดี๋ยวก็โดนก็คอมเมนต์เนี่ยไปอยู่วัดป่าเอาผ้าวัดบ้านไปใส่ก็แบบเดียวกัน นันอยู่โรงเรียนไหนก็ให้ใช้เครื่องแบบของโรงเรียนนั้นนะอยู่วันไหนกให้ใช้ผ้าของวันนั้นเข้าไปยังไม่มีเข้ามามีมาแต่หาไม่เจอค่อยๆหาไปไม่รีบร้อนอะไรเครื่องใหม่นี่หายากกว่าเลยชุดใหมน่นี่มันขึ้นมาเร็วแล้วมันเลื่อนหายไปเลยเลยถ้ามายาวๆแล้วมันขึ้นมาไม่ครบอ่อ แล้วไปหามันก็ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันมันเลื่อนไปแล้ ว, ลวน้ำที่ถ่ายทอดสดนะ่ะไปทั่วโลกเลยในญาตโยมอยู่ต่างประเทศเช่นคุณใบเงินให้คุณอัมพานันใบเงินเนี่ยอยู่สวิตเซอร์แลนด์ติดตามทุกวันวันนี้ไม่ทราบส่งข้อค่ะ ข้อความเข้ามาหร yeah. ือยังเมื่อกี้คุณนั่นก็เป็นชาวต่างประเทศไม่รู้จักรู้สึกจะมาจากประเทศอินเดียมื่อวานนี้สีนังกาทใไมนี้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกโดยที่เสียค่าใช้จ่ายเพียงนิดเดียวด้ือโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ง แล้วค่าอินเทอร์เนต็ตก็ได้แล้วสะดวกแล้วคนรับก็ง่ายมีมือถือก็รับได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนสายทอดสดทั่วโลกนี้ต้องมีกล้องมีจานดาวเทียมมีต้องไปเช่าต้องไปอะไรกัน ขณะสวดมนต์ทุกครั้งจะเกิดอาการอยู่สองอย่างคือง่วงนอนและคิดไปเรื่องอื่นการคิดไปเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาที่ตัวหนังสือบทสวดมนต์กำหนดจิตกลางอกแต่ง่วงนอนขณะสวดมนต์จะแก้ไขอย่างไรดีคะก็นอนนึก <laughs> <laughs> ถ้าไม่อยากนอนก็ลุกขึ้นมายืนสวดลุกขึ้นมายืนสวด คุณเปิ้ลเวลาที่ลูกสั่งวัดพญายายมนสวดแสที่บ้า น, นจิบนึกน้อมแล้วร้องไห้ออกมาเป็นเพราะอะไรเจ้าคะเพราะปิตมิมันถูกใจมันซึ้งใจซาบซึ้งใจอะไรทุกข์ร้องไห้แบบนี้ไม่ถือว่าเป็นความทุกข์การร้ อ, องไห้นี่มีร้องไห้ได้หลายแบบร้องแบบทุกข์ก็ได้ร้องแบบดีใจก็ได้ บางคนดีใจกระทั่งน้ำตาไหลก็มีบางคนทราบซึ้งใจก็น้ำตาไหลได้บางทีไปเจอควันไฟก็น้ำตาไหลได้เรื่องการน้ำตาไหลนี่มันมีหลายสาเหตุด้วยกันเห็นน้วงตาท่านเทศแ ล, ล้วร้องไห้ไหยการเทศนั้นทาน่ทานทราบซึ้งใจในธรรมของพระเจ้าที่ท่านท่านได้พบได้เห็นได้รู้ทำให้ท่านหายโง่ใหโอ้ยโง่มาตั้งนานเนี่ย ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนให้ปฏิบัติจะไม่มีวันรู้ได้เลยพอรู้แล้วมันมันทราบซึ้งใจมันเลยคือท่านจะจะควบคุมใจไม่ให้ร้องก็ได้แต่บางทีท่านก็อยากจะแสดงให้ญาติโยกเห็นถึง อ, อ, อนุภาพของธรรมต่อจิตใจว่ามันทราบซึ้งมันมันขนาดไหนตอนนั้นท่านไม่ควบคุมท่านปล่อยมันอให้แสดงให้เต็มที่เลย แต่คนอย่างหลวงตาท่านทำไมจะห้ามไม่ได้ถ้าท่านจะห้ามเนีแต่ว่าตอนนั้นท่านก็เป็นเหมือนเล่นเนลิเกให้พวกเราดูก็ร้ห้มันเต็มบทบาทไปเลยคาถามจากคุณโมนี <c oughs> เวลาเราป่วยใกล้จะตายแล้ว <c oughs> เราสามารถรับรู้ได้ด้วยตัวเองไหมคะว่าจะต้องตายแน่ๆ แ, แ, แล้วรู้ได้แต่พียงแต่ว่าเราจะไม่มีสติสตงังค์สิเพราะความกลัว ความทุกข์มันทำให้เราไม่ไ ม, ไม่ไม่ดูร่างกายมันไปกลัวไม่คิดปรุงแต่งซะจนกระทั่งหลงกลายเป็นคนบ้าไปแต่ถ้ามีสติมันก็ดูลมไปเรื่อยๆความตายมันก็อยู่ที่ลมหายใจนี่แหละใช่ไหมทำไมจะไม่รู้ถ้ามันหายใจเข้าไม่หายใจออกก็รู้ว่าตายแลนว mm hmm. รู้ถ้ามีสติมันรู้ได้แต่มันไม่มีสติกันพอไปเจอเหตุการณ์รุนแรงนี่มันสติแตกกันนะ มันก็เลยหลงกันอย่างนั้นถ้าอยากจะรู้ต้องหัดฝึกสติอยู่เรื่อยๆควบคุมใจให้คอยเฝ้าดูร่างกายไปเรื่อยพอร่างกายเป็นไรก็ดูมันไปดูเฉยๆแล้วจะไม่ทุกข์เวลาตายก็ตายอย่างสบายเป็นเหมือนหมอดูคนไข้ใจเป็นหมอร่างกายเป็นเหมือนคนไข้ใจก็ดูคนไข้ไปปล่อยให้คนไข้ท้อง หายใจหายเพลือกสุดท้ายเพลือกสุดท้ายแล้วมันก็จบคำถามจากคุณอาร์ตขณะนั่งสมาธิจะทําอย่างไรไม่ให้ใจไปคิดเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้อ่านจากหนังสือธรรมะก็ต้องฝึกสติมากๆนะเนี่ยถ้าเราไม่มีสติใจมันก็ยังจะคิดไปเรื้อร้อยแปดพันประการนั้นการนั่งสมาธิจะให้ได้ผล ต้องฝึกสติให้ได้ก่อนต้องควบคุมความคิดให้ได้ก่อนแต่ยังควบคุมความคิดไม่ได้พอมานั่งมันก็จะคิดไปเรื่อยๆอาจจะอยู่กับพุโทโธได้สองสามคำก็ไปแล้วะดูลมได้สองสามครั้งก็ไปคิดแล้วถ้านั่งแบบนี้นั่งไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่จะสงบดงั้นก่อนที่จะมานั่งต้องฝึกควบคุมความคิดไว้ก่อนเช่นให้พุโทโธไปทั้งวันอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้เฝ้าให้อยู่กับพุโทโธไปหรือถ้าจะใช้ร่างกายก็เฝ้าดูร่างกายไปตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรเฝ้าดูร่างกายไปเฝ้าดูการกระทําไปอย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นถ้าทําอย่างนี้ได้เวลาง้างมันก็จะไม่คิดแล้วมันก็จะสงบได้คําถามจากคุณโลบัสความฝันคือการปรุงแต่งร้อเซ์หรือเปล่าครับ ก็มีสองอย่างฝันแบบเราปรุงแต่งไปฝันแบบมีมีล่างทิพย์มีกายทิพย์เข้ามาก็ได้แล้วแต่บางทีคนตายอาจจะมาเข้าฝันเราก็ได้มาบอกว่าซ่อนเงินไว้ที่ตรงไหนพอเราไปดูเออจริงเนี่ยวะ่ะมีสะแสดงว่าไม่ใช่เป็นความคิดของเราแล้วเป็นความจริงแต่ถ้า ความคิดของเราไปดูไม่มีแสดงว่าฝันออไปคิดไปเอง <laughs> ถ้าเป็นของจริงมันจะมันจะพิสูจน์ได้ถ้ามันเป็นความคิดของเรามันก็จะไม่สามารถที่จะไปเห็นตามที่ที่เราคิดได้ <c oughs> หมดแล้วค่ะ <c oughs> ทั้งนี้ you have something you want to ask Uh, just sitting here now, I felt again this kind of uh, like a vague, loftyness, mm -hmm. um, and I wonder if that's okay. If I s y o u try to bring it back. As long as you are aware of it and you know, be fully aware, it's okay. It means your mind is is empty. Your mind is uh, is feeling uh, light, which is okay. As long as you are mindful of it, as part of the the result from maintaining mindfulness. When you maintain mindfulness, you stop your your thinking. And when you don't think, then you don't have any emotions or any feeling arise from your thinking. Then you feel kind of a, a floating in space. That kind, that sort of feeling, which is okay. And also, uh, just in terms of like, uh, when I should uh, use p r a n a to try to like cut off the uh, thoughts, or sort of, or, or, or when it's uh, appropriate to um, like observe the entire body. If you sometimes find you cannot focus on your your your object of meditation because your mind wants to go think about some other thing, if you cannot bring it back with mindfulness, then you can use panya mm -hmm. by yeah. contemplating or investigating investigating the thing that you seem to be attached to and want to think about. o that's on like superficial level. Yes. To to to the extent that you can stop thinking about it, or if you can go deep enough and truly let go of that person or or that object, and then you can you can consider to be liberated from your attachment to that particular object. Like if you keep thinking about having a cup of coffee. When you know you're not supposed to drink, and you just keep thinking about it here, and you just investigate the cost and effect of drinking coffee. If you go and drink, then you will keep drinking because there will be another desire to have another cup, and so on. If you want to be liberated, be free from ever drinking coffee again, then you just have to stop now and not drink it. And if you can stop, and you because you see the benefit, the the the cost and benefit. Yeah, if you drink, you you have to pay more and more. You have to drink more and more. If you stop this cup, then maybe this will be your final cup. Then yeah. once you are liberated, once you have no attachment to the coffee, then your mind will never think of it. And it's similar with everything else. This is just a, an example. Whatever you are attached to, whatever you still crave for, if you can use wisdom to see that it's doing you more harm than good, then you can stop it forever. But if you just use mindfulness, try to focus on some other thing, you might forget about that object temporarily. But any time you think about it again, your craving for that object will arise again. But if you see t h e n by by craving to that object will bring you more problem than than good. And then you can stop it forever. So that's working d u i n g the d o i n g it right? I haven't I've got lost in the thinking about it. <laughs> Because if you know it's bad for you, every time you think about it, then you stop. Say, why think about something that is bad for you? If you can see them as poison. And you wouldn't want to to to have them or crave for them. Poison to the mind, not to the body, because it will make, make you become addicted. And you know what addiction is like. You want t Life is really just addiction of, to the senses, to the sight, sound, smell, taste, and tactile objects. And we are here to stop this addiction. By using mindfulness, samadhi, and panya. With mindfulness and samadhi, you can stop it temporarily, not not not forever. With panya, you, you can stop your attachment forever, because you see the the truth of of your action. That if you crave, you will keep craving forever. If you stop craving, then you will be free, liberated from that object forever. And when you are liberated, you you you might become peaceful and calm. If you crave, you might become restless and agitated. So what do you want? Peace or agitation? Then eventually you say, if you want peace." Then you stop going after that craving. But if you don't have strong mindfulness, don't have strong samadhi, you won't be able to stop because your craving it will be stronger than your your mindfulness, your samadhi. So you need to develop mindfulness and samadhi. So when you u s e p a n a n y a then you can stop your craving right away. I kind of feel like, is it like, uh, like bringing the mind of feel the like, out Developing that uh, without the needing formal sort of attachment to form, but then it can then like have some space a i t o u t it. And, uh, right, like we try to stay away from this object of attachment because if we are we are near, we keep going back to them, mm -hmm. then we won't have the strength to to let go of them. So we have to force ourselves to be away from them, make it difficult to get to them. But we haven't yet got rid of our craving for them. But at least we make it difficult, make it harder to, to, to go after them. Then we'll have some. Then we'll have time to develop mindfulness, which will then counter our cravings and develop panna to see that. It is harmful to go after our cravings. And also yeah. develop other paramis. Well, these are the two main paramis, mm -hmm. with the others u p p o r t i n g like patience, endurance, kanti, yeah, and sila. Sila is the precept, the a precept. t h i s t r y to isolate you from your objects of attachment. See, so if you don't have the a t precept, then you can go and Have dinner. You can go to parties. You can do all sorts of things. Then, then you will not be able to to to get rid of your craving that way. So the other parami are really to support your panya parami. Panya is your final instrument or or, or or device that will get rid of your cravings. Other parami cannot do it. You have to use logic, rationality, because the cause of your craving arises from your irrationality, your delusion, not seeing things as they are. You keep seeing things that is bad for you as good for you. So you need p a n y a to come and tell you that these things are bad for you, not good for you. They are like drugs. That you should stop hmm, craving for them. Once you see that it's harmful to you, then if you have the strength of such mindfulness and samadhi, then you can resist that craving. But if you don't have panna, even though you have h a d the strength to resist your craving, but you don't see that craving is bad for you, so you keep craving for more and more things. Now like during the time of the Buddha. When he practiced, everybody has samadhi. They have the ability to stop the craving, but they didn't know that the craving was the the main problem. Ah, see, and it's only the Buddha who eventually discovered this truth that this, this craving that caused his mind to be agitated and restless, that caused his mind to take rebirth again and again. And he who wants to keep the mind peaceful. And stop rebirth. He has to resist every form of cravings. And once he did that, he knew he became a, that he was liberated from rebirth, liberated from all forms of mental uh, agitation and stress and restlessness. Mm. You need panya to see that everything that you crave for is bad for you, harmful to your mind, cause r e s t l e s s and agitation. Doesn't bring peace and happiness. Yeah. Only the elimination of craving will bring peace and happiness. มีคำถามเข้ามาอีกไหมมีคำถามจากคุณกานีการถวายขานิสิตธนะมีอณิสงอย่างไรและมีความหมายทางพุทธรเช่นไรคะ ไม่รู้เป็นผ้าอะไรก็ได้แต่ผ้านั่งผ้าปูนั่งก็บอกรู้สึกจะเป็นผ้าปูนั่งคือตามพระวินัยนี้พระจะนั่งกับพื้นเปล่าๆไม่ได้เพราะจะทําให้จีวรโสกปะก็ะเลยต้องมีผ้าปูนั่งกันโสกโปกะวันละอ่าอย่างบุญนตะขีนี่ยค่ะในึ่งเวายผ้ากับ ถวายใบ ว, วานกรินดวยค่ามันจะต่างกันนะครับบางทีเห็นกองผ้ามันเยอะมากเราซื้อเป็นใบ ว, วานไปได้คือการจะให้ของคนก็ต้องดูว่าเขาขาดอะไรไปให้ของที่เขามีแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับเขาไะหายเฉพาะกระถิ่นเท่านั้นแหละก็เหมือนกันแหละความจริงกระถินเนี่ยถ้าผู้ต่างความจริงผ้าที่กระถั่วแค่พื้นเดียวมันไม่พอหรอก อย่างที่วัดป่าวันตาเนี่ก็ต้องถวายผ้าเป็นพับๆเพราะว่ามีผ้าเป็นหลายสิบรูปผ้าที่เขาใช้ถวายในในงานมันแค่เป็นผืนเดียวไปตัดได้สบองผืนเดียวนั่นเองแต่ผ้าจีวรผ้าสังกตินี่มันไม่ได้เขาถึงมีผ้าบริวารตามมาแล้วพังสายวัดต่านี่เราจะนิยมตัดผ้าของเราเองก็จะไม่ถวายผ้าสําเร็จรูปจะเป็นถวายผ้าขาวเป็นพับๆไป แล้เดี๋ยวพอเสร็จพิธีกระถิ่นแล้วผ้าเขาก็เริ่มตัดเนี่ยพอเสร็จพิธีไปแล้วเขาจะใช้เวลามาตัดเย็บกีวอนใครของเก่ามันขาดก็มาตัดใหม่อันไหนยังดีอยู่ก็เก็บไว้ใช้ต่ออันนี้ต้องต้องถวายผ้าบริวารไปเวลาเราจะไปถวายของที่ไหนเราต้องดูว่าเขาขาดแขนอะไรเนี่ยส่วน ของไหนที่จําเป็นจะต้องถวายเพื่อเป็นพิธีก็จัดมาอันนั้นเป็นพิธีเช่นผ้าผ้าผ้าผ้าสีขาวผืนหนึ่งอันนี้เป็นเพียงผ้าพิธีเท่านั้นแต่โดยหลักความเป็นจริงเนี่ยผ้าที่จะมาตัดเย็บจีวรนี่ยมันต้องเป็นผ้าขาวแล้วผ้ามีต้องสามสี่สิบสี่ห้าสิบลูกนี้ต้องตัดเย็บหลายหลายผืนด้วยกันพระผ้าป่าก็าจะนิยมตัดเย็บจีวรเอง แต่ถ้าเป็นผ้าบ้านนี้เขาก็ไม่เขาก็จะถวายผ้าจีวานสำเร็จรูปผ้าไตาที่เราเห็นเป็นไตไตไปอันนี้เป็นเป็นผ้าตามเป็นผ้าบริขารเพื่อที่พระจะได้มีผ้าพอใช้กันแต่สมัยนี้มันมีคนถวายผ้ากันทั้งปีทั้งมันก็เลยมีมากเกินไปดังนั้นถ้าอยากจะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเงินทองไปเอาเงินถวายให้กับวัดเพื่อที่จะไปบุรณะซ่อมแสม โบสถจีดีกุติวิหารอะไรต่างๆส่วนของก็ถวายพอหองปากหองคอเพรารู้ว่าเดี๋ยวนี้เรื่องปัจจัยสี่ของพระนี่มันมีเหลือเฟือแต่สิ่งที่ขาดแคลนก็คือเดี๋ยวนี้เราอยู่ในยุคที่ต้องใช้ไฟฟ้าใช้น้ําประปาต้องมีอะไรจิปปถะมีะรายจ่ายเยอะก็ต้องมีเงินทองแทนอันนี้ก็ถวายให้เป็นสมบัติของวัดไป คือไม่ให้เป็นสมบัติของพระรูปใดรูปหนึ่งพอเดี๋ยวพระจะไปซื้อของที่ไม่จำเป็นของที่เป็นโทษกับพระเองได้ให้บ้างก็พอให้ไปซื้อขนมกินซื้อบุหะไรเ <can> <children> <laughs> ดี๋ยวซื้อมากให้มากๆเดี๋ยวไปซื้อเบนขี่กันเลย <laughs> ไปซื้อฮอขับกันย <laughs> เล่นเฟซหนีแล้วก็บอกไม่ควรหรอกถ้ า, ถาทำบุญอย่นี้เราควรไม่ควรพระไม่ควรบอกบุญอ่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าจะขออะไรจากใครนี่ต้องเขาเ ข, ขาเสนอตัวก่อนหรือเป็นญาติพี่น้องแล้วต้องขอในสิ่งที่ขาดแคนเช่นจีวรยารักษาโรคเมืดอดหนองนี่แถ้าจะมาบอกบุญว่าไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์นี่ก็ไม่รู้เอาไปสร้างจริงหรือเปล่า ดีไม่ีก็เป็นวิธีหลอกเอาเงินไปใช้โดยที่ญาติอยู่ไม่รู้ก็ เ, เห็นว่าเป็นผ้าหรืองก็เชื่อศรัทธาเั้นไม่ควรที่จะให้เงินทองกับพระที่เราไม่ได้เสนอตัวหรือไม่ได้เป็นญาติกับเราแล้วก็ต้องให้ด้วยเหตุด้วยผลว่าก็ต้องการเอาไปซื้ออะไรถ้าซื้อของขาดแคลนเช่ปัจจัยสี่ก็เอาไปแต่ถ้าจะาไปก่อไปสร้างนี่ไม่ใช่นาทีของพระ เป็นเรื่องของญาติโยมญาติโยมควรที่จะไปคุยกับเจ้าอาวาสแล้วก็จัดการเองไม่ใช่ปล่อยให้ลูกวัดรูปใดรูปหนึ่งมาเรียดรายของเงินขอทองอะไรกันนี้ไม่ควรถ้าเราอยากจะสร้างกุฏิก็ไปคุยกับเจ้าอาวาสเลยว่าจะขอถวายสร้างกุฏิพระไม่ควรที่จะไปเรียดรายของเงินขอทองเพราะว่ามันไม่สวยงามเป็นพระนี่จิพยไม่ให้มาทําตัวเป็นขอทาน ให้มาปฏิบัติธรรมให้มาหาธรรมกันไม่ให้มาหาเงินกันไม่ควรไม่ควรนั่นเฟซไม่ควรดูหนังเซื้อพิมไม่ควรฟังข่าวไม่ควรอะไรทั้งนั้น <c oughs> สมัยที่อยู่บ้านตาสมัยนั้นมันไม่มีพวกนี้แต่มีโทรศัพท์ท่านก็ห้ามไม่ให้มีโทรศัพท์ไปฟ้าก็ไม่ให้มี นังสือพิมพ์ก็ไม่ให้ดูวิทยุก็ไม่ฟังทีวีก็ไม่ดูทีวีแท่นก็เรียกว่าเทวทัศน์พวกนี้พุ่งทําลายาศาสนาทั้งนั้นเนี่ยเพราะถ้าดูพวกนี้แล้งใจมันก็ฟุ้งใจมันก็จะพุทโธไม่ได้มันไม่พุทโธกันแล้มันฟุ้งเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดกิเลสเกิดตัณหาแล้วเดี๋ยวก็ไปทําผิดพระวินัยกันมันถึงห้าม ไอยู่ที่นั่นไม่ให้ภาวนาอย่างเดียวให้พุโทโธอย่างเดียวเดินจงกรมนั่งสมาธิไปใจสงบแล้วมีความสุขยิ่งกว่าเล่นเฟสอีกที่มันเล่นกันเพราะไม่มีความสุขกันมันหงดุดหงิดมันเกิดอัดมันเศร้าซร้อยง้อยเหงาว้าเวพอดูหน่อยเออดีใจหัวล็อกเกๆกๆไปชั่วข่าวเพราะนั่นเองแต่ไม่หายไม่ขายขาดเดี๋ยวก็ต้องดูอยู่เรื่อยๆกายปัญญาเสพติดไป วันไหนไม่ได้เสพนิ่งหงดหงิดขึ้นมาเพรนั้นถ้าอยากจะหาความสุขที่แท้จริงต้องเข้าข้างในอย่างเดียวต้องพุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิทาใจให้สงบอันนี้เราหาได้ตลอดเวลาไม่ต้องขออะไรจากใครแต่ถ้าหาความสุขจากของอย่างอืงน่นนี้ต้องไปหามาขอหาเงินหาทองขอความช่วเหลือคนนั้นคนนี้วุ่นวายไปหมดอาะจัยไหมนะ ถ้าอยากจะทําบุญก็ดูคนที่เขารับว่าเขาขาดอะไรไปเห็นวัดว่าวัดนี้ขาดกุฏิก็ถวายกุฏิไปขาดห้องน้ําก็ไปสร้างห้องน้ําอะไรไปให้ในสิ่งที่มันจําเป็นสิ่งที่มันขาดแคลนสิ่งที่ก็มีแล้วก็ไม่ต้องให้อย่างหลวงตาลเนี่ยมีคนถวายเงินให้วัดมากท่านที่วัดท่านพอแล้วท่านก็ไปให้ที่อื่นต่อไปให้โรงพยาบาลไปซื้อเครื่องมือแพทย์ซื้อรถพยาบาล อะไรต่างๆเพราะวัดมันพอแล้วถ้ามันมีมากมันก็แทนที่จะเป็นคุณกับเป็นโทษกลายเป็นวัดหรูหราไป <Yeah. S 1> แล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร <Okay. S 1> สาลามาอย่างนี้กับสาลารูหรามันก็ศาลาเหมือนกันนะ <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> มันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันเสียเ <Yeah. S 1> งินไปทําประโยชน์ให้กับผู้ที่เขาเดือดร้อนดีกว่าหลวงตาท่านชอบใช้คําพูดประสง์เคาะ์โลก mm hmm. แล้วพอบ้านเมืองมีปัญหา เรื่องเองินทองก็มาส่งเคราะห์เบื้อบ้านเมืองอามาพูดก mm ็ hmm. เ, เรียองมาทํำภาพป่าช่วยชาติกันอันนี้ท่านก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวท่านเอง mm hmm. ท่านเห็นว่าบ้านเมืองตอนนั้นวุ่นระเดิดร้อนมากท่านพวกเราไม่มาช่วยกันนะพอพวกเรามาช่วยกันทําบุญช่วยกันบริาจากสภาพทุกอย่างมันก็ดีขึ้นจนทุกอย่างก็หายปัญหานี่สินต่างๆก็หายไปหมดนะยัน mm hmm. ของผ้าเราต้องการเพียงปัจจัยสี่เท่านั้นอ่ะออ mm. จีวรก็มีเหลือเฟือแล้วอาหารก็บินตบาด ท, ทักวันอยู่แล้วกุฏิก็มีแล้ว mm. ยาก็มีเวลาไม่สบายก็ไม่ต้องมีอะไรแล้วว่าจริงๆนี้ต้องการความสงบมากกว่าต้องการความเงียบความสงบไม่ต้องการสิ่งปลูกสร้างเพราะยิ่งสร้างก็ยิ่งวุ่นวาย mm. อย่างในหลวงเคยขอสร้างโบสถ์ให้กับวัาป่ามันตัด หลวงตาบอกว่าท่านอยากจะสร้างพระท่านไม่อยากจะสร้างโบสถ์เพรายว่าโบสถ์สร้างมาแล้วก็กลายเป็นภาระให้พระต้องมามาเฝ้ากลายเป็นที่อยู่ของหมาของของนกพิ่าไปเพราะโบสถ์วัดปาก็ไม่มีพิธีกรรมอะไรต้องทำตั้งไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรท่านถึงไม่สร้างกุฏิของท่านเมื่อก่อนนี่เสียกินกายก็จะไปขอสร้าง ขอตั้ง 8, ปดเก้าครั้งตอนทั่หลวงตาบอกพอแล้วเลิกขอเลยแล้วไม่ให้สร้างท่านก็อยู่แบบส ม, มถะเรียบง่ายอยู่พออยู่ได้ก็เอาแลวแต่ก็เห็นครูบาอาจารย์อยากจะกราบบูชาพระคุณอยากจะสร้างกุฏิสวยๆใหญ่ๆสบายๆให้ท่านอยู่แต่ท่านไม่รู้วิธีอยู่ของพระว่าท่านอยู่แบบนั้นกิเลสกินตายหมดต้องอยู่แบบกิเลสไม่กินต้องอยู่แบบ อดอๆอยากๆ อ, อ, อยู่แบบออยู่แบบเรียบง่ายอะไรทํานองเนี้ยมันกิเลสมันถึงจะตายกันพระอาจารย์นั่งตรงนี้แหละอยากจะถามวั น, นนั้นเลยไอตัวนี้คือฟังวันนั้นฟังไม่ค่อยชัดที่หลวงตาถามพระอาจารย์อะว่าท่านเสร็จกินแล้วยัง <c oughs> ไม่ตอบใช่ไหยฮะ <c oughs> จนครั้งที่สามหลวงตาบอกว่าไม่ตอบก็ไม่กลับยังไะ แล้วหลวงตาประเทศต่อเรื่องมหาแบบพระอาจารยอ่ะทีได้อยู่มหาวิเลยป่าออแต่หลวงตาก็เปียบเช่อว่าหลวงตาเนี่ยอยู่กับมหามหาวิเลยบ้านอะไรอย่างเงี้ยทีนี้บางทีมันอัดมามันไม่ค่อยชัดนะครับดูเล็กอ่ะลงเล็กสูงให้เอมันค่อยเลยค่ะอมันผ่านไปแล้วอย่าพูดถึงมันเลยเปกระสุนต้องเลยไหมคะเ็จก่ ก็ก็ใครใครเขาก็ถามบอกเขาเห็นก็เห็นหนูอยู่กับหลวงตาจะไปไหนก็เลยบอกเนี่ยจะมาจะมาวัดหละวัดยาเนี่ยก็ออกไปทําไมก็เล่าให้เราฟังเขาเขาก็งงอ่ะมาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยพูดเล่าใหฟังบอกได้ยินเนี่ยหลวงตาถามท่านสามคำอย่างเนี้ยเออแล้วแปลความหมายว่าไงอก็เป็นเรื่องเราของเรากับหลวงตาก็แล้วกัน เสร็จเลยเขาก็อยากจะเลือกพระใช่ไหมคะอแต่พระอาจารย์สุดใจพูดอยู่คํานึงว่าพระอาจารย์อ่ะเทศจากความจริงไม่ใช่จากความจําระอาจารสุดใจก็พอแล้วนะแค่นนี้ก็จะอะไรอยู่ก็ก็พูดอย่างนี้พูดพูดจริงกม่พูดจํำนะก็คือะเทศจากความจริงก็คือพระอรหันนะครับพูด ก, ก็อย่าอย่าไปพูด <laughs> พูดคำนั้นแล้วมันแสลงหู <laughs> สะแลงหูสะแลงใจคนก็คนที่ก็ไม่เชื่อแล้วก็จะฟังแล้วก็จะหมันไส่เอาเป็นย <s at> งมันไม่ดีแหละมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษ <s at> แล้ว <S <s <at> <S ร, รู้ของเราในใจของเราก็พอแนละ้ว <s at> คนหนึ่งเขาจะรู้ไม่รู้ก็เรื่องของเขาคุณยายมึงก็จะถามพ่อจันน่ะคร้งที่ลูกตาจะเท่จะไหวตัวนะว่ะเอาแล้วให้พ่อ หลวงพ่อปัญญาแต่ตอทีนี้หลวงพ่อบัญญาฟังภาษาไทยชัดเจนใช่ก็เข้าใจแบบห้าสิบห้าสิบก็สรุปได้คร่าวๆหนูตาเทศสี่สิบห้านาทีท่านก็สรุปประมาณสิบนาทีเราก็เลยมาเอาเอาเทปเอาเทปที่ท่านอัดเสียงมามาแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ภาคหลังเข้าไปฟังอีกทีนะก็คือมีพระอาจารย์เนี่ยช่วยอช่วยแปลให้ทีแต่เราอยู่ เราอยู่เบื้องหลังท่านอาจารย์ปัญญาท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านก็อยู่เบื้องหน้าเราก็ทําแบบนอกนอกทำแบบภาษาของเราแล้วก็ไปขอเทปที่ท่านอัดมาแล้วเราก็เปิดฟังแล้วเราก็พูดเป็นภาษาอังกฤษใส่ไปอีกเทปหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปให้พระฝรั่งเขาฟังกันเขาจะได้เข้าใจว่าที่หลวงตาเทศน์นั้นมันมีรายละเอียดมากมายเท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังมีคนฟังอยู่ยังเทศ ย, ยังเป็นแผ่นซีดียังมีใส่ไปในอินเทอร์เน็ต คนนี้ก็ยังไปเปิดฟังได้อยู่ <S <S เป็นภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศที่เขามาศึกษาบางคนเขาก็ชอบเขาพอฟังเทศของหลวงตาแล้วนึกซึ้งมากอได้รับประโยชน์มากไม่กดไปว่าหลวงตาเจ็ไม่ค่อยรู้จกะนะักพระแล้ใช่เพรา ะ, ราะว่าหลวงตาท่านไม่ต้องการให้พาะมายุง<ะ>่งท่านต้องการให้ไปภานาะ<ะ>ก็เลยไม่มีพระจะเข้ามาก้าวออกมาออกนาออกตาเหมือนที่อื่นครับพวกถามว่าเอาที่ไปวัดประจักษ์เจ๊ เคยเจอพ่ออาจารย์หรือใชหมหอหาหาเราไม่เคยเราไม่เคยเห็นหน้าเขาเห็นแต่ใส่บาตรใส่แล้วก็ถวายถวายก็จะรับประคีร์เองนะใช่แล้วก็ลงจากคราไปก็จะลุขึ้นบาทานเข้ากับผ้าหายหมวแล้วไปล้างบาตรไม่ได้หรอกผ้ามาคุยกับญาติโยมไม่ได้เสียเสียมารยาทที่วันนั้นเขาไม่ไม่นิยมทํากันเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์กับญาติโยมนี้ครูบาอาจารย์ลูกเดียวเป็นผู้ รับแขกร<ะ> uhm ับคนพระนี่มาศึกษามาล่ําเดีนไม่ใช่มารับแขกรับคนถ้าการไปทํารับแขกรับคนเดี๋ยวก็โดนท่านดับเพิดไปนะไม่ได้มาปฏิบัติเลยก็อย่างว่าแจนอินแต่ว่าช่วงจะกระชินที่บ้านตะก่อนขายพวกเครื่องย็กปักดัดร้อยนะตันไกอะไรเงี้ยที่นักเที่ยงอยู่หน้าวัดเขาที่ก็เปคนซื้อของให้วัดก็จะมาซื้อกับเราเราก็รู้ว่าเขาอยู่วัดพัฒนาเราก็จะคือเราไม่ขายแต่เราจะทำก็จะให้ตลอดจนกระทั่งว่าแจนอินบอกว่า ไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็เหมือนว่าเราไปขอเก็ไม่มาซื้อเรากันไกลซิงเกอร์อะไรก็จะหาไม่ได้คนสุดท้ายก็ต้องกลับมาหาเราอราก็ถามบอกเอาพี่แล้วไปไหนเขาบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าไม่ให้มาซื้อบอกเอาทำไมเขาบอกซื้อเขาไม่เอาเงินเก่งใจคือทําพระอาจารย์อินมาที่บ้านอืเราก็ไม่รู้ว่าพระองค์นี้เป็นวัดไหนท่านเราเลยถามท่านว่าท่านอยู่วัดไหนท่านบอกว่าแล้วเราไปวัดไหนเราบอกเราก็ไล่ให้ฟังท่านก็เลยบอกท่านอยู่วัดกาฬเพอเราก็ไม่เคยเห็นหน้าท่านเลย รู้แต่ว่าเราเห็นแต่ดวงตาองคเดียวใช่ท่านเป็นพระเทละที่ใกล้ชิดกับลวงตาที่สุดสมายที่เราอยู่เพราะท่านทำงานปวงผมให้ดวงตาทำอะไรให้ดวงตาได้เราก็ไม่เคยเห็นหน้าพี่ชายจะเป็นพี่ชายหนูนะเขาจะพาท่านอธิบดีประมูลจันทร์รัอกำอืงที่ที่เวลานั้นก็จะไปนอนหน้ากลดดวงตาก็นั่นแหละก็ เราก็จะรู้แค่นี้เองว่าหองอใช่ที่หลวงตาก็จะเมตตาคนถ้าไม่ไปอยู่ที่วัดจะไม่รู้จักพระในว่าถ้าไปอยู่ที่วัดบางทีหลวงตาจะใช้ให้พระไปทําอะไรให้อะไรเขาก็จะเห็นอตอนนั้นก็จะไม่ไม่รู้จักพระแล้วบางอย่างเรานี่เราไม่ไม่ไม่ยุ่งเลยเราชั้นเสร็จเราก็กลับกุฏิของเราเราชอบไปภาวนามากกว่า ก็เลยไม่มีใครรู้จักแล้วท่านลงตาไม่พูดก็ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นพระวัดตาบ้านสับเพราเราก็ไม่กล้าพูดเดี๋ยวโกจะหาว่ามาโฆษณาตัวเองก็เลยมาอยู่เงียบๆบนเขาเงียบๆไปอบุญนะคะอ่อาจารย์หลวนรู้จักนะครับเพราะว่าอ่ารก็เป็นพอทำของเพลงค่ะแรกๆเลยก็ไปไปไปทำบูตหลวงปู่ขาวนะหลวงตานี่จะมาปักปลายเพราะว่า ใจใจคิดหนะว่าหลวงปูเขาอายุมากแล้วดูแลหลวงปูเขาก่อนใช่หลวงปูเขาแล้าสังขารมันนั้นเราก็ปักลงหลวงตาเลยเด้อแลหลวงตาท่านกอยานท่านอย่างรัวเนาะท่านเห็นหนาวันแรกที่เราไปทำบุญมันเกิดดีท่านก็ยิ้มให้แล้วก็ให้พรอะไรอย่างเงี้นะก็เราก็รู้ของเราเนาะว่าวันนี้พิเศษของเราเลยเมตตาท่านรับเราเป็นลูกศิษย์แล้วค จะมาหลวงตาแบบสมัยก่อนหลวงตาจะไม่ค่อยอยากจะให้ญาติโยมไปหาท่าน<ะ>ท่านอยากจะให้ไปกับครูบาอาจารย์ที่อื่นก่อน<ะ>เวลาผ่านไปว่าท่านท่านจะดูะดูแล้วเขาจะครัว<ะ>แล้วก็จะไม่กล้าเข้ากันเพราะท่านต้องการจะสอนพระในยุคนั้นเ<ะ>พราะถ้าญาติโยมเข้าไปเยอะงานเยอะพระจะไม่มีเวลาปฏิบัติแต่พอครูบาอาจารย์ที่ผู้ใหญ่กว่าตายไปหมดนี้ท่านก็เลยเปิดประตูแล้ว<ะ>นี้เข้าไปกันเป็น ผูงเลยมตตาเมตตามากๆนะคะตอนนั้นก็พระก็จะต้องวุ่นวายไปกับหลวงตาแล้วต้องคอยดูแลต้องข้าวของเยอะอะไรเยอะไปหมดเลยก็เลยพาก็เลยจะไม่ก็ได้ภาวนาก็ยังได้ภาวนาอยู่แต่อาจจะเวลาต้องแบกมาช่วยงานข้างนอกนะอย่าก็เลย So, because I mean, coffee is kind of like a gross example, but that's something that t h e n so, you then, uh, logic it out. Um, but what about like the more subtle kind of desires, like that could be either like sort of praise, status being involved, or else something else that like um, then should I look at the emotion and logic that it's not helpful to have anger or something like that? Or... Well, because all these things that you crave for, they can cause you to have. Stress or sadness because they're not permanency. Right. When you have them, it's fine. But when you lose them, then you become sad. Yeah. So, so, so look at the end of the things. Look at the impermanency of things. What about craving for the d h yeah. a m m a Craving? That's okay. That's, that's that's positive craving. You can crave them, but not overdo it. Okay. If if you crave for something, but you cannot do it yet, you have to then. Except that you know, you have it takes time to to get to that point. That you want to attain a certain level from your practice, but you cannot find the time of you don't have the ability to to do to get what you want. Then you should not you should not feel bad about it. Because if you have intense craving desire for them, and if you don't get, you can become discouraged. Uh, you know, sad, y e a h and it might cause you to to stop practicing all altogether. Mm -hmm. So this has you has to know how to manage your your your positive kind of craving, make it within the b o u n d of reason. Mm -hmm. Then it's, it's okay. And my other question, um, so like if I, because you also were saying u h sort of to uh. To logic it out when it comes up, like when the craving comes up. So if I don't have any craving for a person, do I need to be looking at skin and skeletons and like dissecting? Something? You can do that just just to prepare yourself in case you suddenly fall in love with someone. Yeah. <laughs> yeah. Then you have something to to use to counter that mm. craving. But if you haven't look at this body in a in a negative way. When you fall in love, you will not be able to to cut off that too strong, too strong for you. Yeah. So sometimes you have to do your homework okay. before you face the examination. Yeah. Okay. But all this, you have to be careful that it doesn't disturb your peace of mind. Because once you start like thinking about something that's not actually craving at the moment. Can take yeah. Right, and then your your mind can become restless or agitated. Then you should stop and then come back and do samadhi first to calm your mind. Always, always maintain your calmness regardless of what you do. If you investigate, contemplate with p a n y a make sure that it doesn't become restless or agitated. As soon as as it does, you have to stop and do samadhi to calm your mind. a n d t h e n after your mind becomes calm, and you feel you got nothing to do, okay, and then you can contemplate. Because I find it quite quickly. As soon as I start contemplating, my mind becomes restless. Yeah, start smiling, then you should. That means your mind is not strong enough yet. Yeah. Your mindfulness is not strong enough. Okay. So try to do more samadhi first. Okay. Mm. Um. And then what about vedanā, v e d a n a or? That... Same thing. Vedanā is another object of your attachment. See, <laughs> your body is one. Vedanā is the other. Vetana, the only thing you have, the one vetana you have to to cope to to solve is your dukkha vetana, the painful feeling. The other feeling, there no problem. So you have to somehow solve this dukkha vetana. Let go of it. Leave it alone. Exist with it. If it comes up, let it be. Don't don't try to get rid of it. More than panya, well, samati, s a m a t You need samati to stop. You need panya to tell you to stop. see. Okay. If you have no panya, you might not stop. You might want to get rid of it, even though you can. You can, but you get rid of, get rid of it in the wrong way. The way to get rid of it is to live with it, embrace it, to make it friendly, not to make it an enemy. So is that also helpful? Like apart from just like intense pain. But in terms of like, uh, like when craving like the chocolate or something comes u t like, the e n s o observe the sensation in that, or is that whichever way you can to stop your craving, okay. because maybe your mind is very tricky. They yes. can come dip, dip with different variations of the of, of cravings. You know. All right. ก็พอสมควรแก้วล้อ่า ถ้าเกิดว่าเราดวงจิดออกจากล่างแล้วเนี่ยค่ะเราจะจาได้ไหมคะว่าผลกรรมการกระทําความดีความชั่วของเราเป็นมายัางไงหรือว่าเรารับผลอย่างเดียวเ อ, อ่ออดีตที่เราทํามา น, นี้มันก็เหมือนเมื่อวานเนี่เราทําอะไรแล้วเราก็ลืมแหละ<ม>แต่สิ่งที่มันติดตัวไปก็คือนิสยัยถ้าเราเคยทําบุญเราก็จะติดนิสัยทําบุญไปถ้าเรามีนิสัยรักษาศีลมันก็จะติดกับเราไป เกิดขึ้นชาติหน้าเราก็จะไปทําบุญต่อรักษาสี่งต่อส่วนผลมันก็เกิดไปตามเหตุที่เราทํามาเราจะจำให้ทำทำมันเป็นความจำมันมาแล้วผลอันนี้เราบุญนี้มาแล้วสำหรับบางคนถ้ามีมี ม, มีความำจําจําดีๆก็จําได้จะลึกชาติได้เป็นดวงจิตที่ยังไม่มีร่างใจอ่าเนี่ยแหละในน้องจิตมันมีมันทุกอย่างมันฝังอยู่ในจิตเอง ร่างกายเป็นเพียงแต่เป็นปัตถวา a เป็นเป็นตัวรับข้อมูลส่งมาให้กับจิตอีกทีหนึ่งนะแต่ทุกอย่างที่จิตทํานี่มันถูกฝังอยู่ในจิตหมดถนะึงแต่ว่าจะลึกนึกถึงมันได้เปล่าเพราะว่า น, นี้ทําอะไรมามั่งเนี่ยถ้าความจําดีอาจจะเลิกได้ออเว่าวานี้ไปทํานู่นทํานีนะ่กินข้าวที่นู่นกินข้าวที่นี่ถ้าความจําไม่ดีจําไม่ได้ละแต่ถ้าจิตสงบแล้วมันจะจําได้เนี่ยเวลาคนเราลึกชาติได้เนี่ยเขาจะต้องทําจิตให้สงบก่อน พอจิตสงบแล้วก็เริ่มย้อนกลับไปย้อนไล่กลับไปได้นั่นก็คืออยู่ในภาวะของจิตตอนที่เป็นโวงวญาณตรงนั้นจะมีความบริสุทธิ์ของจิตขนาดไหนเหนนนคือเวลาที่จิตเป็นอยู่มันไม่มีร่างกายเนี่ยมันจะไปรับวิบากเสีมากกว่ารับผลอย่างเดียวรับผลอย่างเดียวมันจะมามีกําลังที่จะมาคิดไรายได้ก็ตอนที่มีร่างกายแล้ว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 ท่านมาที่หลังก็เข้ามาได้นะถ้ามีอะไรอยากจะถวายหรือต้องการมารับหนังสือซีดีก็เข้ามาได้แต่เราเลิกประชุมแล้วนะจบแล้วเปิดลง